อาจายไังไงครับและการอารจารย์ครับก็เรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ครับก็ยังทําทุกวันเนี่ยมันก็มีติดทีเขียนว่าเสียไม่เคยได้ยินเลยนะครับก็ได้ยินอย่างครับก็นะเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีก็ยังทําทุกวันอยู่ก็ ยังตั้งเวลาลุกมาทำตอนเช้าก็ก่อดนอนแล้วก็มันก็มีสงบมีมีคิดเรื่องอื่นบ้างแต่ก็พูดโทรตลอดแล้วแล้วก็ช่วงวันมันก็พยายามพูดโทรให้ได้ตลอดแล้วก็มีขี้เกียจบ้างครับมันก็ยังเรื่อยๆยังไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้าเท่าไหร่ครับก็พยายามช่วยความขี้เกียจนะอยาปล่อยให้ความขี้เกียจมันเอาชนะเราครับ อย่บาบังคับตัวเองถึงเวลาก็ต้องทำนะฉันรู้สึอยากทำหรือไม่อยากทำก็ทำลงไปงเวลากินข้าวเวลากินข้าวเราควรกินบางวันไม่อยากกินก็กินเพราะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะหิวนะครับภาวนานี้เป็นเหมือนการให้อาหารแก่จิใจของเรารรต้องอย่าให้ความที่เกียดมันมา ทลายคือรู้เลยว่าครับคือรู้เูยว่ากีเดสมันแบบมันพยายามที่จะแบบเข้ามารบกวนเราไม่ให้เราได้อย่างที่มันที่เราต้องการื<ช>แล้วก็พยายามฝืนต้องฝืนต้องฝืนต้องเสู้นะถึงจะไปได้ครับาตามใจกิเลสมันก็จบนครับเอ้ จะคุยคุณป้าสุพัฒนาต่อนะครับครับคุณสุพัฒนาแสงอร่าอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนเดี๋ยวใครช่วยเปิดครับเ ด, เดี๋ยวนะฮ ะ, ค, ะคุณป้ากดกดเปิดไม้นะฮะคุณสุพัฒนากดเปิดไม้ได้เลยฮ ะ, ะเปิ ด, ดนะนะมาสการงานะอยู่มอนะ ชาค่ะรอเวน่ะรอดเาประจำเลยนะค่ะฟังอาจารย์วันนี้ก็มีมีคําถามที่ีวันนั้นที่ได้เ อ, อถามคําถามพระอาจารย์นะคะเรื่องที่บอกว่าในระหว่างที่เรากําลังนั่งสมาธิเนี่ยเ อ, อแม้ว่าจะอยู่ในสมาธิก็ตามพระอาจารย์บอกว่าให้ให้รู้สึกตัว อ, อันนี้หรือเปล่าคะที่เวลาเรา ที่พราจาบอกว่าให้เรากําหนดรู้ใช่ไหมคะเวลาเวลาเหมือนกับเราเจอสภาวะอะไรเ อ, อให้รู้การกา ร, การการการกําหนดรู้นี่คือการที่เรารู้สึกตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เหมือนรู้ตอนนี้น่ะยอมรู้สึกตัวบ้าตอนนี้ค่ะอรู้แบบนี้ยรู้แบบตอนที่เราคุยกันนี่แหละหคะก็ให้รู้ไงรู้ว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงจิตเราสงบก็รู้ว่ามันจิตสงบ ถ้าไม่รู้ก็สั่นเพราะว่าหลับอืมค่ะรู้ไหมหล่ะตอนนี้รู้เปล่ารู้ว่าเราคุยกันใช่ไหมรู้ค่ะพระอาจารย์เอ่าแลจะเวลาเราหยุดคุยก็รู้ใช่ไหมค่ะอ่าก็ให้รู้แบบนั้นเน่ยเวลาจิตมันคิดมันฟุ้งก็รู้ว่ามันคิดมันฟุ้งพอมันหายฟุ้งก็รู้ว่ามันหายฟุ้งพระอาจารย์นะอืมค่ะมันต้องรู้อ่ะมันเราคุยกันเนี่ยพอเราหยุดคุยมันก็เงียบ เวลาหยุดชิดมันก็เงียบเหมือนกันิ่งเราต้องรู้ถ้าไม่รู้แสดงว่าหลับบางทีคนนั่งแล้วสติไม่ค่อยดีนั่งพุทโธพุทโธสองสามคำเคลิ้มหลับไปไม่รู้เรื่องอย่างนี้เรียกว่าหลับที่ที่หัวร้อนนี่คือปกติจะเป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าค่ะพอพุทโธไปได้สงกเงียบเงียบไปแล้วพอมัน ก็คิดว่าตรวจนาทีโอ้อยังงั้นหลับนะคะค่ะมันต้องตื่นตลอดเวลาเหมือนตอนเนี้ค่ะนี่เราคุยกันก็ตื่นพอหยุดคุยกันก็ยังตื่นอยู่ค่ะไม่ใช่คุยไปคุยมาหายไปหมดเลยทั้งคนคุยทั้งคนคนดูหายไปหมดก็หลับอืมนะสติต้องดีอ ย, อ, อย่าทิ้งพุโทโธถ้าใช้พุโทโธอย่าหยุดพุดโทโธ ถ้าดูลมก็อย่าหยุดดูลม<ะ>มันยังมันยังเดินถ้ามันเถอแล้วมันขอเพิ่มไปแล้วมันก็หยุดพูดโธหยุดดูลมมันก็หลับไปะน ะ, ะอเอ๋มีอะไรไหมขอบพระคุณทุกค่ะไม่มีค่ะจะมาขอฟังพระอาจารย์ตอ บ, อบคำถามได้ไม่ใช่ไ ด, ไ ด, ได้ทักทายคนต่อไปนะหมอออหมอออนป็นยังไง อ่าสวดไม้ก่อนค่ะธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์อ่นคนนี้ก็แฟนพันธ์แท้จากกรุงเทพเนี้ยค่ะมีอะไรจะถามไหมนี่มีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีดีใจที่ได้พบเห็นอย่างนี้ก็ทังต่อไปนะจะได้ทักทายคนต่อไปได้ค่ะธรรมสการค่ะอาจารย์ไม่มีภาพปกลุกไม่มีอ่า ไลฟ์นัมเบอรวันไม่มีของคุณวิชนุจอยคุณจอยไม่มีภาพคุณจอยเปิดกล้องหน่อยีิกลายเป็นคนพู่ไปแล้วคุณจอยเปิดเสียงต่อไปเปิดไม่หน่อยเปิดไม่ก่อนไม่ได้ยินเสียงคุณอยเปิดไม้ครับคุณจอยเปิดไม้ครับไม่เปิดไม่ได้ยินเสียงนะเห็นแต่ภาพ คุณจอยต้องเปิดไมค์ครับดีใจจนลืเปิดไมค์แล้วคุณคุณวิชนเปิดไมค์เข้าใจ้ไหมไม่ได้ครับผมผมผมผมผมบอกให้เขาเปิดครับวางไงคุณจอยมาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ทุ่งกลมตะมันเนี่ยค่ะที่ไหนเนี่ยคุ้ยใหญ่อะค่ะคุ้ยใหญ่ค่ะใกล้ๆวัดยานเองนะใกล้ใก้วัดยานค่ะมาวัดไปใส่บาปพระอาจารย์อยู่ค่ะ อ๋อที่บ้านอำเภอหรือคะค่ะ บ, บ้านอำเภอค่ะอ่าดีใจมีอะไรอยากจะถามไหมอยากมากล่าวพระอาจารย์ะคะ่ะอ่าไม่มีค่ะอแล้วเข้ามาได้ยังไงเปิดเฟซอยู่เลยค่ะเปิดเฟซค่ะแล้วแล้วแล้วก็พระอาจารย์เข้ามาก็เลยเข้ามาค่ะอ่ดีอ่ไม่มีอะไรจะถามนะ ไม่มีจะได้ไปคุยทักทายคนต่อไปนะค่ะคุณอุษาคุณอุษาเปิดไมค์หน่อยซิคุณอุษาคุณอุษาเปิดไมค์ครับนิมมัสการข้าอาจารย์นะนิัสการนิมมัสการข้าอาจารย์คอ่ะคุณคุณจอยเปิดไมค์แล้วนะโอเคครับปิดแล้วครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคุณอุษายมอยู่นาลาทิวาศข้าอาจารย์เคยไปนิมมัสการอาจารย์ที่บนเขาบ่อยๆกับลูกสาวค่ะ น้ำตการสาธุอ่าเปสบายดีเหรอสบายดีค่ะอาจารย์ติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเปิดซูมวันนี้เองค่ะอ๋อไงดีไหมเสียงชัดไหมดีดีค่ะเสียงชัดค่ะเสียงชัดทุกอย่างฟังทุกวันถึงเวลาเทศก็ฟังอยู่ค่ะอ่าดีค่ะาจะมีอะไรอยจะถามมีอะไรอยากจะถามไหมคือโยมเคยนั่งสมาธิวันหนึ่งนะคะอาจารย์ แล้วก็นคะ่ะที่นั่งอะ่ะพอเราเริ่มเงียบนะคะแล้วก็มันเกิดเสียงขึ้นในในประสาทว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตายมก็เลยมาบริกรรมคำนี้แทนไม่ทราบว่าทำถูกหรือเปล่าคะได้แต่ถ้าเห็นมันนิ่งก็ไม่ต้องบริกรรมก็ได้ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องบริกรรมค่ะคือเรื่องแรก ที่แรกๆก็คือบริการพูดโธไปก่อนใช่ไหมคะแล้วยูยูขับนี้มันผุดแวบขึ้นมาในสมองก็เลยยึดคํานี้เป็นคําบริกรรมแทนนะคะได้ไหมคะได้ไดแล้วชอบอันไหนแล้วก็เอาอันนั้นได้ค่ะสาธุ ค, ค่ะก็ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือล้มเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยใช้แบบนอนบ้างอะคะ่ะเพราะนั่งขัดสมาธิไม่ได้อะค่ะนั่งท่อยก็ได้ น, นั่งขัด ออค่ะนั่งขอบเตียงก็ได้ค่ะโ ย, นอ น, ยอนอนมันจะหลับนอนมันจ ะ, ห ล, ะหลับได้ใช่หลับค่ะสาธุค่ะแล้วก็โยมคิดที่จะทำทางเดินจงกรมที่บ้านทำได้ไหมคะไดท้ทำไปเลยประมาณยี่สิบห้าเก้าถ้ายาวขนาด น, นั้นได้เออมันไม่น่าจะถึงสักเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะว่าตามความยาวอยู่ที่ประมาณเก้าเมตรกว่ากว่าเเมตรก็รกประมาณสิบแปดแปดโอเคไม่ได้ okay. สาธุค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะกอ <สา S 1> บคับการ น, นั่งสมาธินะค่ะสาธุค่ะทั้นต่อไปขอทักทายคุณพันพัทยศน์นะคุณพัทยศ์สาธุค่ะสาธุค่ะพัทยศไม่อยู่นะมีแต่ภาพแต่ไม่ตัวไม่อยู่ iPhone แอนะคุณแอนยากจะพูดไหม เะเป็นทีมงานนะสวัสดีคหลวงพ่อค่ะคลอ่าเจอะไรคุณแอนมะเจ้าค่ะเออมีอะไรอยู่ ไ, ย<อ>ไหนหมอแอนหมอแอนะคะหลวงพ่อหม oh, <more> อแอนหมอพีแะเใช่ค่ะหนูกราบค่ะพ่อสองเรื่องเจ้าค่ะเหลวงพ่อได้ยินนะคะ เรื่องแรกก็คือเรื่องแรกเป็นเรื่องเรื่องทางโลกนิดนึงเจ้าค่ะก็คือว่าถ้าถ้าเรามีคนที่มีอํานาจกล่าวหาแล้วก็ทําร้ายเราในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะเจ้าคะแล้วก็ทําให้เราเสียหายแล้วก็มีผลต่อการงานของเราเจ้าค่ะเราจะเตรียมกยใจของเราอย่างไรเจ้าคะก็มองไปสองอย่างสองแงม่มุมแง่มุมนึงก็ถือเป็นกรรมของเราพือบาป <c oughs> กรรมของเราค่ะ <c oughs> มุมที่สองก็คือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตของเราก็มีขึ้นขึ้นลงลงโล ก, กะทรแปดมีการเจริญก็ต้องมีการเสือ่อมเป็นธรรมด า, าลาบยดศสรรเสริญสุขมองในสองมุมแล้วเราก็จะได้วางเฉยได้จะได้ไม่ไปโกรธเขาบุมแรกก็โทษตัวเราเองโทษกรรมของเราในอดีตที่เราทำมาบุม่มที่สองก็โทษ สภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้โลกธรรมมันเป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีได้มีเสี ย, อย้อย่าไปโทษอย่าไปโทษคนที่เขาทาร้ายเราปล่อยเขาไอย่าไปมีเรื่องกับเขาเวณย่อมรงงับด้วยการไม่จองเวณ น, น ะ, ดะเดี๋ยวเขาทำอิ่มใจแล้วเขาก็จะเลิกทำปล่อยเขาทำไปให้พอแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกมายุ่งกับเราเอง แต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาเดี๋ยวเ้ากลับมาแรงกว่าเก่าอีกเจ้าค่ะนะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะเรื่องที่สอเจ้าค่ะคือตอนนี้หนูภาวนาไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิเองเจ้าค่ะแล้วหนูก็ท่องอาการสามพิสองกลับไปกลับมาหลายๆรอบแต่ว่าตอนนี้ได้ไม่ถึงสามรอบก็ตัดหลับไปเลยเจ้าค่ะคือหลับง่ายกว่าปกติเลยเจ้าค่ะแต่ก่อนหน้านี้หนูดูตั้งแต่ ไล่ลมตั้งแต่ศีรษะจนล ด, ดปลายเท้าขึ้นลงอะ่ะหนูไม่หลับเลยค่ะแต่ว่ามันมีความฟุ้งซ่านอยู่แต่ว่าทําไมพอมาเปลี่ยนเป็นท่องอาการ32ไปเรื่อยๆหนูไม่ได้คิดอะไรเลยมันหลับหลับแต่ไม่ฝันนะเจ้าค่ะแล้วก็นั่งเฉ ย, ยๆแล้วก็หลับหลับแล้วก็เหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันผิดปกติเจ้าค่ะเหมือนกับว่าทําไมเรายิ่งยิ่งท่องอาการ32ไปเรื่อยๆยิ่งหลับดีเลยเจ้าค่ะ แล้วเราอาจจะอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราเหนื่อยเพลียบ้างหรือเปล่าทํางานมันก็อาจจะทําให้ว่วงนอนได้ถ้าร่างกายอ่อนเพลียหรือว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายก็อาจจะเป็นเพราะว่าอกรรมฐานนี่มันมันกล่อมให้เราหลับอ๋อเอาเปลี่ยนเป็นอัศวพดูแต่ลองดูซากศพสิบสิบชนิดอยู่ดูว่าจะหลับไหยอ๋อเจ้าค่ะ ลองเลกถึงมากเลยว่าตายก็ได้เจ้าคะฮะหมายถึงว่าพิจารณาไปเลยหรือบางกายไปเลยก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ก็เป็นเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งเหมือนอาการ3 2แต่ว่ามันเจ้าค่ะดูตามที่ในพระสูตรแสดงไว้สิศศิบชนิดสบตายขึ้นอื่นใหม่แล้วก็เขียวช้ำพองแล้วก็เอ่อมี แรงกากัดมีนอนมาใช้อะไรทำนองเนี้แล้วก็นึกภาพเหล่า น, นี้ขึ้นมาเจ้าค่ะลองไปอ่านดในพระสูตรนะสิมีอัศภะคือสมในสติปัฏฐานสูนตรถ้ามันหลับหรืออาจจะแก้ ว, วิธีหลับด้วยการลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินถ้ามันนั่งมันอาจจะสบายสติเรายังไม่มีกาลังมากพอมันสบายมันก็เลยเพิ่มหลับได้ เจ้าค่ะรืองไปหาที่น่ากลัวนั่งก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวเจ้าค่ะตรงไหนตรงไหนที่มันมีความกลัวแล้วใจมันก็จะตื่นเจ้าค่ะนี่ก็คืออุบายวิธีต่างๆ อ, อุบายหนึ่งก็คือถ้าอยู่ถ้าไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมก็กินอาหารหน้อยๆอดอาหารอ่ามันหิวมันก็จะไม่ง่วงอืเจ้าค่ะ ขอพบพคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะทนน อ, นนะอะท่านนี้ก่อนเลยค่ะเ okay. ท่านี้ก่อนเจ้าค่ะไปท่านต่อไปคุณอัจฉราผู้เดินเปิดไม้ด้วยหมอแอนสายแบนเป็นอย่างไรอาจารย์เจ้าค่ะอ ย, อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะพอาจารย์มีอะไรจะถามไหมไม่มีค่ะมาร่วงฟัง ตอบคำถามค่ะเห็นก็ไปท่านต่อไปนะคุณหมอพีรพัฒนมีอะไรไหมอ่าคุณเกศเชลยเชิญคุณเกศเชลยอยู่ที่ไหนบ้านพ่อหลวงพ่ออยู่ที่ไหนหอยู่อเมริกาค่ะอ่าอยู่ที่เซาท์นอร์ทแคโรไลนาใช่ไหมเจ้าค่ะอะที่มีนอกใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ะาอา<ม>จา<ะ>สบายดีนะคะ อ่าสบายดีมีโยมท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์ว่าเขาชอบฟังเสียงนกอ่าแต่เสียงนกที่นี่ไม่ค่อยน่าฟังเจ้าค่ะเวลา อ, อารมณ์ไม่ค่อยจะดีอ่าเสียงดั ง, ดงมากเจ้าค่ะอ่าเป็นไงการปฏิบัติดีขึ้นไหมมันมีเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างเจ้าค่ะแล้วแต่นะคะเจ้าค่ะอะลมลุกคลุกคักนก็ เ, เรียกลมลุกคลุกคักนคยังเป็นแสงเจ้าก็่ เจ้าค่ะเมื่อวานท้อมากเหมือนกับว่าบางทีนั่งนั่งไปนั่งนั่งตลอดเกือบทั้งวันนะเจ้าค่ะไปถามว่าถามตัวเองว่านั่งทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยนั่งหลับตาเฉยๆได้ใจหนึ่งมันก็ค้านขึ้นมาว่าเอ้าวนี่แหละกิเลสมาแล้วบอกกับตัวเจ้าของเจ้าค่ะก็เลยไม่รู้ก็คือก็นั่งอยู่งั้นพอพอสักพราหนึ่งหนูก็เดินบ้างผัดผัดเดินบ้างนั่งบ้างนะเจ้าค่ะ อ่าสลับกันไปพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ถ้ายาังพิจาราไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปดูเวลาเดินก็ดูเท้าไปคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าให้มันพาเราไปอดีตไปอนาคตให้ดึงไว้ในปัจจุบันมันมีช่วงขณะหนึ่งมันเกิดความเบื่อขึ้นมานะจ้ะค่ ะ, ะมันเบื่อคือมันไม่อยากจะทํานะจ๊ะค่ะ ก็ลองฟังเทศแทนถ้าวันไหนมันเบื่อก็เปลี่ยนรสชาติบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างก็ได้น่ะอ่านหนังสือธรรมะถ้ามันอาจจะเกิดกำลังใจขึ้นมาฟังเทศของกูบาอาจารย์หาเทศของหลวงตามหาโบัวฟังดูมีเทศชุดเตรียมพร้อมเนี่ยหลวงตาท่านเทศให้ยอดโยมคู่ปฏิบัติทำโยมคนนี้เขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาไปขอพึ่งธรรมจากหลวงตาหลวงตาท่านรับปวด เทศอยู่92เคืนด้วยกันนะลงไปเกือบทุกเคืนยกเวน้นว่าเคืนไหนท่านไม่ว่างท่านก็เว้นไปท่านบอกท่านคเคยเทศอ ย, อย่างนี้มาก่อนท่านสงสารเขาต้องการที่จะเรค่ะก<อ>ลองไปค้นหาดูธรรมะชุดเตรียมพร้อมนะของลงตามหาบวัวมีทั้งหม<อ><อ>ดเจ้าค่ะเง<อ>ฟังดู วเวลาช่วงไหนปฏิบัติปฏิบัติทำเบื่อก็ฟังเทศเหมือนสมัยที่อยู่กับท่านท่านจะเรียกผ้ามาประชมุมอยู่สามสี่วันสี่ห้าวันเรียกมาอบรมครั้งหนึ่งเวลาปฏิบัติเองมันเบื่อพอได้ฟังจ า, จากท่านแล้วมันได้กำลังใจเหมือนว่าหนูอยากจะออกไปข้างนอกอยากไปห้างอยากไปอะไรอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือว่าไม่อยากอยู่บ้านีน เ, นเนจ้าค่ะแต่ว่าพอ เจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกนะเจ้าค่ะให้อยู่บ้านไม่ออกต้องเฝืนมันต้องบอกออกไปก็ท่านั้นแหละกลับมาก็เหมือนเดิมกลับม า, าเดี๋ยวก็อยากออกเองแต่ถ้าเราชนะความอยากออกได้ครั้งนี้คราวหน้ามันความอยากออกมันจะน้อยลงไปนิดเดค่ะต่อไปมันจะไม่ออกเลยมันถ้าเราชนะความาอยากอองได้ต่อไปเราไม่ไม่ต้องไปไหนอยู่ บ, บ้านสบายจ ะ, จะออกก็จําเป็นจริงๆเช่นไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของจะใช้จําเป็น แช่จะให้ใออกไปเพื่อไปเพลิดเพลินนี่มันจะไม่ไปเจ้าค่ะโยมโยมโยมถือศีลแปดแล้วก็โยมหันกลับมามองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเยอะมากเจ้าค่ะ ม, ม, มันมันมันมีเกือบหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะรักโลกกดหลงมีหมดทุกอย่างแต่ว่าพยายามแตบบ่พี่จะละละล ะ, ละมันนะเจ้าค่ะใช่ก็ต้องตอนตอนก็ต้องรู้ก่อนว่าเราบกพร่องตรงไหน ร, รู้แล้วก็แก้ไข ดีกับ <c oughs> คนบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองบอกพ้องตรงไหนชอบไปมองคนอื่นเห็นคนอื่นบกพ้องแต่ตัวเองไม่เห็นตัวเองเจ้าค <c oughs> ่ะนปฏิบัติธรรมต้องมองตัวเองมากกว่ามองคนอื่นเจ้าค่ะโยมรู้ตัวเลยว่าบางทีอ่ะการสำรวมของโยมก็ไม่เรียบร้อยพอ <c oughs> <c oughs> ก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยพยายามใช้พุทโธควบคุมเจ้าค่ะกายวาจาใจนะ มีพูดโทรอยู่ต่อไปเราก็จะสมัมมล่มเจ้าค่ะมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีเจ้าค่ะขอร่วมฟังที่เฉยเจ้าค่ะโอเคจะได้เปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้ถามบา้างนะเจ้าค่ะค่ะกราบสาทุเจ้าค่ะคุณศิริยาพรเวชพงศ์วิทย์อยู่ที่สาลอนเหรอเปิดเปิดไม้ด้วยฮัลโหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวกําลังให้กขาเปิดอยู่ครับคุณศิริยาพรนะคเปิดไม้ได้เลยฮะ ที่จองคุณยังมีภาพไมโครโฟนที่มีสีแดงก็กดมันมันจะได้สีแดงจะได้หายไปอ่าโอเคมาแล้ ว, ลวอันนี้ได้ไหมคะพะอาจารย์ได้แล้ ว, ลวนอบน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระ อ, อาจารย์สุชาติที่เคารพเสียนเจ้าค่ะอยู่อยู่ที่สาร น, นเหนือขาอยู่ที่สารนเหรออะไรนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่กรุงเทพค่ ะ, อ, ะ อ, ยคอยู่ตรงแถวถนนฉลอมพระเกียรติเขตประเวนะคะ่ะออมีอะไร อ, ะอยากจะคุยจะถามไหมก็กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างสูงะคะ่ะที่เมตตาอนุเคราะห์ให้ธรรมะทุกๆวันนะคะ่ะก็ติดตามอยู่ะคะ่ะแล้วก็น้อมนานามาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูจิต ด, ดูใจตัวเองอยู่คะ่ะท่านอาจารย์ ทำคำสอนของพระอาจารย์นี่เตือนสติโยมได้ดีมากๆเลยค่ะอ่าดีมากสาธุก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะสาธุค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะถามไม่มีข้อซักถามสงสัยใดๆแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เอาคำสอนพระอาจารย์ที่สอนมาทุกวันนี้ค่ะน้อมนำมา ดูจิตดูใจตัวเองไม่ไม่เพ่งดูจิตคนอื่นนะคะดูใจตัวเราเองทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ดูวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างพิจารณาตัวเองเท่านั้นเองค่ะใช่ถูกต้องแล้วนักปฏิบัติต้องมองเข้าข้างในนะโอเคนะขอสาธุค่ะท่านอาจารยจำแรงเทิยนนางฟ้าจำแรงนามสการเจ้าข้าพระจาร์ ถามว่ามาอยู่ที่ไหนตอนนี้หนูอยู่ที่กรุงเทพกันเจ้าค่ ะ, ะมีอะไรอยากจะถามไหมพรุ่งนี้หนูจะไปปฏิบัติธรรมที่โกเอนก้าสิบสิบวันเจ้าค่ะอ่าดีดีปฏิบัติเพื่อให้มีสตินะเพื่อให้มีสมาธิต้องพยายามผลักดันนะอย่าอยู่เฉยเฉย เวลาว่างเมื่อไหร่ก็รีบไปปฏิบัติธรรมเลยเวลาเราเหลือน้อยลงทุกวันให้คิดอย่างนี้นะมันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่ให้ถามตัวเองเรากําลังไปกับกิเลสหรือเรากำลังไปกับธรรมนะค่ะค่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขอให้ตั้งใจนะชู่ไม่ถอยนะค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์เจ้าขาหนูได้งานแล้วนะเจ้าขาเออดีพอออกมาหนูก็ได้เริ่มงานใหม่เลยค่ะพระอาจารย์ ดีสาธุจ้ะงัขอไปกับคุยกับคนอื่นต่อนะว่าผ่าสาธุอ่คุณไนแพด์ของปุกลูกใช่ไหมคุณปุกลูกเชิญเปิดใหม่อ่อยู่ที่<ส>ไหนอยู่พัทยาใต้ค่ะอออยู่ใกล้ๆนี่มีอะไรจะถามไหมอ่มีคำถามว่า เราจะบาปไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยากอยากถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้พระอาจารย์ขาดอะไรแล้วเราจะซื้อถวายเพื่อได้ให้ให้ท่านไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดอะคะ่ะคือถามได้แต่จะตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งอ๋อถ้าว่าตักบาทจะถามพระ<อ>ตักบาทจะถามพระ อ, อยากจะถวายอะไรก็ถวายไปเลยดีกว่าก็คิด<อ>ถึงสิ่งจําเป็นที่เราใช้กันทุกวันยาสีพันสบู่ อะไรของพวกนี้่ยก็ถวายได้พ้าต้องใช้เหมือนกันพระอา hmm. จารย์ไม่ใช้พระถ้าอาจารย์ก็มีลูกศิษย์พระลูกศิษย์เยอะแยะที่ก็ไม่มีก็ต้องเอาไปแบ่งปันแจกกันไปอ hmm. ใช้ที่จําเป็นมะแปลงสีฟันยาสีฟันสบู่ผงรับพอกหรืออะไรพวกนี้ของ ท, ที่ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูร่างกายของดื่มก็ hmm. มีน้ําปานะหรือน้ําเครื่องดื่มอะไรก็ว่าไปน้ําเปล่าอะไร ยของใช้ไม่สอยเหล่านี้ไม่ต้องถามหรอกนะอยากจะถวายอะไรก็ซื้อไปถวายเลยดีกว่าได้ค่ะนะคเคตัวเองนี่เราก็ไม่ขาดแคลนหรอกเพราะญาติโยมเยอะนี่ลูกสิธย์เข้ามานี่เยอะแยะไปหมดค่ะนะค่ะมีอะไรอยากจะถามอีกไหมไม่ค่ะก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดยานพึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปฟังธรรมพัดตลอ ด, ลอดได้เนี่ย อปเรียกที่อาจารย์เขอคุยกับท่านอื่นต่อนะค่ ะ, ะคุณหาวุฒิไทยคุณหาวุฒิไทยหลักศิลปยาชาใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดไม่ใช่เลยเราเปิดไมค์ก่อนจะ้ะยังไม่ได้เปิดไมค์ไอ้ตรงที่มีขีดสีแดงอตรงไมโครโฟนยังยังยังปิดอยู่กดปิดผิดอันนี้โยมมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอหาไม่เจอ อ่าเปิดแล้วเปิดแล้วอยู่ที่ไหนอยู่รังสิตค่ะอ่ารังสิตโอเคจำจำผิดคนมีอะไรอยากจะถามไหมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าพูดดังๆหน่อยได้ไหมได้เข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะเอออยากจะถามพระอาจารย์ว่าค่ะคือปกติเวลาเราอยู่ไม่ทราบพระอาจารย์ได้ยินไหมคะพอจะยินถ้าใกล้กันนี้อีกหน่อยก็ดีแล้วจะพูดดังๆหน่อย คือถ้าเวลาเราเรานั่งสมาธิหรือว่าเราอยู่ในปัจจุบันก็ได้นะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะมีสติที่มันหนักๆอะคะ่ะแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็ปรากฏว่าออความรู้สึกรู้ที่เรารู้หรือสตินะคะมันเบาไปเลยะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันโล่งๆไปแต่ก็รู้สึกว่าเอ้จริงๆมันควรจะมีสติแบบหนักแน่นมาก เหมือนเดิมหรือว่ามันเบาๆไปก็ได้ค่ะรู้สึกว่ามันเงมือนสติหนักเบาไม่สําคัญขอให้รู้ขอให้รู้สึกตัวอ่าสติมันมันไม่มันไม่ไม่หนักไม่เบาที่มันหนักมันเบามันตัวจิตมากกว่าอืเวลาเริ่มต้นจิตมันหนักอกหนักใจกับเรื่องราวต่างๆมันก็รู้สึกหนักแต่พอพุทโธพุทโธไปแล้วมันลืมเรื่องต่างๆมันก็เบาขึ้นมา เยังไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องเรื่องหนักอกหนักเรื่องหนักหรือเบาขอให้มีสติคอยควบคุมความคิดไว้ค่ะคือรู้สึกว่าความมีสติของเรามันมันไม่หนักแน่นแต่ว่าทีนี้จะถามพระอาจารย์อีกนิดหนึ่งอะค่ะว่าเวลาเราอยู่ในสมาธิอ่ะค่ะมันก็จะเราจะเห็นความคิดที่มันคิดคิดคิดคิดไปเรื่อยๆค่ะอย่าใอย่ า, อ ย, าอย่าไปตามคิดอย่าไปคิดกับมันอย่าไปตามคิดมันให้ให้ อยู่กับพุทโธแล้อยู่กับลมไม่ต้องไปดูมันเลยอย่าไปสนใจมันไม่ดูเลยค่ะเอ่าดูดูพุทโธแล้วดูลมลมหายใจค่ะเอ่อ่อย่าไปดูอะไรทั้งทิ่นั่นทั้งที่อะไรที่เกิดขึ้นเลยใช่ใชใจไปเฉยๆร่าสภานะคะมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นของมันไปเออมันเกิดดับของมันเองไม่ต้องไปสนใจมันอ๋อเราไม่ต้องการไปรับรูอะไรนอกจากลมอย่าไปดูลมหายใจเออ แล้วมจะพาให้เราเข้าสู่ความสงบใจจะเบาขึ้นเบาขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นไปตามลําดับค่ะแสดงว่ามหายใจไปเรื่อยๆอย่าเพ้ออย่าไปดูอย่างอื่นเพราะดูอย่างอื่นแล้วมันจะชักมันจะไม่ไปต่อแล้วมันก็จะอยู่ออ๋อแสดงว่าเราก็ดูลมหายใจถ้าถ้าเกิดว่ามันเห็นกายของเราที่มันก็ยังไม่ต้องไปดูมันดูลมอื่น ก็ไม่ดูเลยอ่ะค่ะไม่ดูเลยดูลมอย่างเดียวถ้านั่งสมาธิตอนนี้เราต้องการให้ใจนิ่งให้ใจว่างอ๋อแล้ว้อะไรยังไป็นว้ตอนหลังไว้ไว้เวลาออกมาจากสมาธิแล้วในชีวิตประจิบเวลาชีวิตประจวันก็เนี่ยมองร่างกายของคนเราทุกคนก็มองเห็นว่าต่องแก่เจ็บตายค่ะไฟเตือนสติมีอาการ32พร้อมกลดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกันอู ต่อไปก็จะกลายเป็นซากศพสิบชนิดกลายเป็นศพขึ้นอื่นศพเน่าพองศพเขียวช้ำคิดอย่างนี้ไปถ้าเห็นร่างกายของเราหรือของคนอื่นก็ดีเวลามองกระจกมังจะมองว่าหน้าตาฉันสวยไหมหน้าฉันงามไหมอย่าไปมองแบบนั้นมองแบบกิเลสมองแบบทรรต่อไปมึงก็ต้องเป็นซากศพแล้วว่าบอกมั้ยเขอาใจไหม ใต้ใต้หน้ามันก็มีกระโหลกศีรษะบอกวันนี้หลยเวลามองกระจกตัวเองมีไหมกระโหลกศีรษะเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกมองเป็นอสุภะถูกไหมคะพี่มองความจริงไงไม่ใช่มองอสุภะมองความจริงอ๋อความจริงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราอย่างนี้ใช่อหมออแต่เราไม่ยอมเห็นเรามองแต่ผิวหนังที่หุ้มหอ่อแต่ว่าไม่มองว่าหุ้มห่ออะไรเนี่ยหน้าหน้าตาเราเนี่ยมันเป็นผิวหนังไม่ใช่เหรอ มันกำลังหอเลยรมันหอกระโหลกศีรษะไม่ใช่เลยอือค่ะอ่อก็คือมองคุณทะลุออกเข้าไปเลยว่าใครปี่คือกระโหลกศีรษะแล้วเราก็เน่าเกินวิปัสนานะคะอ่าอ่าดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วของเราด้วยของคนอื่นด้วยมองเห็นหน้าใครก็เหมือนกันมองเห็นหน้าเราก็เหมือ อาจารย์ <Okay. S 1> ต่อาจะรรู้ว่าคนเรานี่เหมือนกันเท่ากันไม่มีไ ม, ไม่ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็เป็นแค่หนังหุ้มกระกระโหลกศีรษะนี่งคง่กก <Okay. S 1> อนะอาจารย์นนี่คือวิปัสสนาอะไรละทำได้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ <Okay. S 1> แต่เวลาเข้าสมาธิอย่าไปคิดต้องการหยุดคิดต้องการทักจิตจิต mm. จะได้ mm. มีกำลังเหลาเอาฮะ คือโยมคนนั่งสมีธิจยเห็นความคิดโยมก็ดูอ่านความคิดไปเรื่อยๆก็เลยไปไม่ถึงไหนนี่คอวทีหนึ่งเลยแ่หมอไปกยเข้าใจที่พระอาจารย์อธิบายตามนั่งสมาธิต้องการหยุดคิดเพื่อให้จิตนิ่งสงบเพื่อจะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วค่ะขอเพะคุณึ้น เดี๋ยวขอไปที่ท่านตอนะคุณคุณพัดยศนะฮะคุณพัดยศอขอบคุณค่ ะ, ะคุณคุณพัดยศครับพัยศถ่าหลายครั้งแล้วไม่พอมาเมื่อกี้เขายกมือมารอบนึ่งนะฮะเนี่ยีแต่พื้นมีแภาพอขอพื้นไปคนที่เขาพร้อมดีกับคุณชลินทรอน่ะสวัสดีคุณชลินทรอนเปิดไม้ก่อน ่ไม่ได้ยินไหมคะพระอาจารย์ยงก็พูดใหญ่เลยยงอยู่ที่อเมริกาคพระอาจารย์อยู่ที่รัฐแนนแนนค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ที่อาทิตย์ที่แล้วยงเข้ามาเล่าให้พระอาจารย์ฟังเรื่องสภาวะธรรมที่ว่ายงฝันมัวไปหมดเลยตอนกลางคืนนะคะส่วนออาทิตย์นี้ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้อย่าไปฝืน เขาจะทำอะไรก็ให้ปล่อย้เขาทําไปโยมก็ปล่อยปล่อยละเขาจะทำอะไรก็ปล่อยครานี้เขาก็เขาก็นิ่งอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีผิววันก็เห็นว่าจิตเขาก็จะทําอะไรของเขาไปไม่เกี่ยวกับกายเริ่มจะเข้าใจว่าเออเขาก็ทําอะไรของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งหน้าที่ของเราก็แคออ่แล้วหลังจากนั้นเขาก็สงบแล้วค่ะพระอาจารย์เขาไม่ฟุง้งไม่ ไม่ดิ้นลนไปไหนไม่ไม่ฟูซ่านตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราเราเราหลับอยู่อะค่ะพระอาจารย์แล้วเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนมันวูบวูบวูบวูบเป็นชั้นๆในขณะที่ฝันแต่ก็รู้สึกตัวว่าเขาดิ่งลงมาเน่ยค่ะพาาระอาจารย์เขาเ า, าเต้องการสื่ออะไรกับเราหรือเปล่าคะไม่แล้วไม่แร้วไม่แล้ว แล้วยอมยมยังรู้สึกว่ายมยังกําหนดสติไม่ไม่ได like like işte uh ้อะอาจารย์ก็รู mm ้เฉยๆองรู้รู้ยู้กาหนดสติให้รู้อยู่กับลมรู้อยู่กับพุทโธก็เรียกว่าเป็นการกําหนดสติแล้วเหมือนโยมก็ยังปรงซ่าหนึ่งหะพระอาจารย์แล้วคนนี้มันพุทโธคือเวลาไม่ว่าจะเดินนั่งค่ะแล้วยังเวลาในนั่งเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เวลาที่มันสว่างนิ่ง แต่มันก็ยังรู้ตัวใช่ไหมครับอาจารย์เราก็เราก็จำกหนดเราก็ยังกําหนดพูดโทรไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อๆใช่ไหมคระอาจารย์ถ้ามันนิ่งถ้าไม่มันนิ่งแล้วเจ็ดไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดโทก็ได้ให้รู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆว่ามันว่าแต่มันว่างแล้วมันไม่คิดอะไรเราก็ให้รู้อยู่กับความว่างนี้ไปแล้วตอนไหนอ่ะคะพระอาจารย์ที่จะให้กําหนดดูกายอะคะพระอาจารย์อ๋อเวลาอื่นเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาออกจาก เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยบางอย่างที่เมื่อกี้ได้สอนโยบคนก่อนพิจารณาร่างกายของเราของคนอื่นว่าเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนแล้วก็ดูอาการสามสิบสองของร่างกายเวลาร่างกายตายก็จะกลายเป็นสุขจิตสิบชนิดไปค่ะอาจารย์อันนี้ทําตอนที่ออกจากสมาธิตอนที่อยู่ในสมาธิเราต้องการพักจิตเพื่อให้มีกําลังมาทํางานนี่ ถ้าไม่มีสมาธิมันจะคิดไม่ได้เดี๋ยวกิเลสมันเดึงไปคิดเรื่องอื่นหมดค่ะอาจารย์แล้วโยมก็เริ่มรู้สึกว่ามีความหมุดหงิดมากขึ้นเนาะค่ะอาจารย์ทำไมเหมือนยิ่งทำํำยิ่งรู้สึกว่าเก็เกจากความอยากของเราอยากได้สักอย่างพอมันไม่ได้มันก็หมุดหดิด<อ>ก็ต้องวิธงีง่ายๆก็คือท่องพุโทโธไปเวลาหมุด ห, ดหดิดถ้าเราไม่รู้ว่าเราเกิดเราอยากอะไรบางทีมันสับสน ก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปก่อนทำใพอมันนิ่งแล้วก็ความหงุดหงิดมันก็จะหายไป พ, พุดโธนี่เป็นเป็นยาพิเศษเหมือนเป็นยาหมอกใช้ใแก้ปัญหาจิตใจได้ดีนะคนที่จะทำอะไรพอเครียดขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนก็นนะนะแล้ ว, วลแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วก็ มันก็จะมีเหตุมีผลเดี๋ยมันก็จะเห็นเองไงว่าเราหงุดหงิดกับเรื่องอะไรบางที<ม>เรื่องอากาศก็มีบางทีเรื่องคนนัน่นคนนี้ก็มีเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ทายใช้สติไปก่อนใช้พุโทโธไปก่อนเวลาเกิดเรื่องหงุดหงิดขึ้นมาใช่ค่ ะ, ะมันรู้สึกว่ามันมีตัวเล็กๆน้อยๆเข้ามามองอะไรก็หงุดหงิดไปหมดอหรอคะอาจารย์อารมณ์แบบนั้นเอ่คจะ มันมันมันมีปฏิกิริยามันไม่เป็นอุเบกขานมันเห็นอะไรมันไม่ถูกใจมันมันก็มันก็เกรธขึ้นมาทันทีมันต้องพยายามใช้สตินะพุทโธหยุดมันไปก่อนถ้าถ้าสอนได้ก็สอนว่าทุกอย่างเหมือนดินฟ้ากัดเราไปเลือกไม่ได้เข้าใจไหมค่ะที่เราเห็นนี่เราไปเลือกไม่ได้มันเหมือนดินฟ้ากาดมันฝนจะตกมันก็ตกแดดมันจะออกมันก็ออก <c oughs> เราหัดรับสภาพตามความเป็นจริงะ้า <c oughs> วันนี้เป็นอย่างนี้เจอคนแบบนี้เละก็เจอมันไปเจอเหตุการณ์นี้ก็เจอมันไปใช่ข <c oughs> ้าพเ <c oughs> จ้าแล้วมัน <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงได้หดหดง่ายขนาดนี้ทั้งๆ ท, งทงี่แต่ก่อนไม่ไม่เป็นอย่างนี้อันนี้นิดนึงก็รู้สึกว่าแต่ก็แต่ก็รู้ตัวว่าหดหดแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันมากกว่าปกติมันขาดโมเบคาขาดความสงบ ความอยากมันก็เลยแผลงฤทธิออกมาค่าะเล่มันเลยแผลงฤทธิออกมาก็ต้องพุทโธอย่างเดียวไปเรื่อยๆยกับห ม, มสติไปเรื่อยๆจนกว่า<ม>จนกว่าเราจะตั้งมั่นได้มากกว่านี้ใช่ไหยคะอาจารย์ได้เฉพาะมันจะหายงดเย็นแล้วก็เมื่อค่ ะ, คะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกโยมอกว่าเหย่าเพิ้นเดินปัญญาให้สติให้กำหนดสติให้มากกว่านี้ก่อนก็ได้ถ้าถ้ายังไม่สติไม่ไม่ดีพอเอาสติก่อน แต่ถ้าเราอยากจะพิจารณากอย่างที่พูดก็พิจารณาร่างกายได้ ร, ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นบางทีมันต้องต้องเปลี่ยนรสชาติบ้างบางทีมันสติบ่อยๆมันก็เบื่อถ้ามันเบื่อก็ลองเปลี่ยนพิจารณาร่างกายดูยเกิดแก่เจ็บตายคือร่างกายของคนเราทุกคนมีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังท่องอาการทั้งสาสบสองไปแล้วก็นึกถึงภาพของแต่ละอาการไปเปลี่ยนรสชาติบ้างก็ได้ นีก็เป็นวลากำหนดสติอย่างที่พระอาจารย์เล่านี่คือในเวลานั่งสมาธิใช่ไหมคะหรือว่าอ๋อไม่ใช่กำหนดสติเวลาที่ต่อยเวลาแต่วลาเวลาในสมาธิก็ปล่อยให้เขาว่างให้พักค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวกลับไปหาคนคนอื่นต่อนะคุณซีนจยากเชลินคุณซีนเอ มีลูกสาวใช่ไหมยังขวบนะครับพิธีารพะอาจารย์เออพิธีาครับยังไงไหวพระแล้วยังเด็กลูกลูกสาวสาธุยังคะทาราสาธุก่อนท่านพระอาจารย์สาธุอาจารย์ก่อนซิสาธุเร็วสาธุอุ๊ยงสาธุพราจายังคะไม่ร้องไม่เป็นไรนะ ค่ะยมยมมีแค่อย่างเดียวที่อยากถามพระอาจารย์คือนะตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเห็นคนอื่นเขาทําผิดแต่ทีนี้เมื่อก่อนโยมจะอยากเตือนอยากบอกแต่นะตอนนี้คือโยมไม่อยากพูดแต่รู้ว่าเขาทําผิดโยมไม่พูดมันผิดไหมคะเจ้าค่ะอาจารไม่ผิดไม่ผิดหรอกไม่ใช่หน้าที่ของเราไปบอกเขาแสด ง, <อ>งว่าก็ปล่อยเข้าไปแต่เขาคนนั้นคื คือแม่สมมติว่าอันนี้ค่ะพระอาจารย์คือ <c oughs> เวลาแม่โยมแม่ของโยมทําบุญจะทําบุญเยอะแล้วก็จะถามสมมุติว่าทําทําไปแบบเนี้ยแม่จะถูกหวยไหมอย่างเงี้ยโยมก็จะเริ่มความรู้สึกโยมก็จะเริ่มตีขึ้นมาตรงนี้แล้วว่าทําไมแม่ต้องคิดแบบนี้คือถ้าโยมจะด่าเหมือด่าเพื่อนโยมก็ทําไม่ได้โยมก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าโยมควรจะทํำยังไงคือตออคนอื่นนะโยมค่ะก็บอกเขาถูกแน่แม่ อยแน่เขาใช้ก็เพยังอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีงั้นใส่ก็ทำอุเพอแล้วก็ทําบุญเพื่อความร่ํำรวยเอาอยากจะรวยก็เอาไปใส่ก็หมูก็เลยแบบว่าก็เลยแบบคิดว่าอือเราก็แค่เงินเงินเงิเงอย่างนั้นก็ได้ทําบุญทําช่ค่ถึงแม้ไม่ถูกหวยมันก็ได้บุญอยู่ดีแต่คือจริจริงเนี้ยเหมือนกับว่า คือความรู้สึกโยมคือโยมแม่คือแก่นแกดีคือแกยอมเสียสละรัพย์ในการทําฐานแต่พอจุดสุดท้ายพอมันจะบรรลุแบบมันจะแบบสําเร็จทุกประการอะพ่ออาจารย์มันมีติดแค่นิดเดียวหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากให้แม่ติดตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูพยายามอธิบายแล้วแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นการไปทะเลาะ ก, กันมากกว่าเพราะเหมือนกับว่าเขาก็อาจารย์ว่าเขาไม่เข้าใจหนูก็เลยแบบ คือเหมือนทุกๆคนหนูพยายามเลี่ยงที่จะไม่พูดหรือว่าพูดน้อยลงได้แต่ว่ากับโยมแม่ของหนูเองหนูแบบคือเห็นในสิ่งที่เขาทําแล้วมันไม่ถูกแต่หนูหนูรู้ว่าณตอนนี้คือหนูเป็นลูกหนูไม่สามารถไปยกสอนแกได้เพราะว่าเหมือนแกแกก็จะต้องมีความอัตตาตัวตน ว, ว, ว่าแกเป็นแม่เออแล้วถึงว่าเราเกิดเกิดที่หลังอย่างเงี้ยแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันถูกต้องทั้งหมดหรือไม่แต่ว่าในสิ่ง สิ่งที่ครูบาอจารย์บอกมาคือถ้าจิตเราเป็นกุศลเราก็ทั้งต้นและปลายต้องเป็นกุศลทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะมีกิเลสเข้ามาสุดท้ายหนูก็เลยอยากให้แกได้แบบใต้บุญเต็มร้อยอะค่ะบาอาจารย์หนูก็เลยอยากบอกแกแต่คือหนูก็เยทำไมยากจังเลยทำไมพูดกับแม่ตัวเองยากกันเลยว่าเอองั้นหนูไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ฟังก็อย่าไปพูดถ้าเขาฟังก็ไปพูดแล้วถ้ายอมพูดแล้วทะเลาะ ก, กันโยมบาปใช่ไหมคะไม่บาปแล้วก็ ทละกันมันก็อกุศลยังไม่บาปถ้าไปด่าถ้าไปด่าแม่ถึงจะบาไปาไม่ไม่คือแกแล้วอาจาย์มีหลายครั้งที่โยมพูดแบบหนูพูดแบบว่าพูดอย่างนี้แหละพูดในสิ่งแบบเนี้ยแล้วคือจนแม่ร้องไห้ในเรื่องธรรมมาเนี่ยนะคะจนแม่ร้องไห้แต่าีนี้หนูแม่ก็เลยบอกว่างั้นผูถูกทั้งหมดนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมาคิดว่า แสดงว่าแม่ร้องไห้เพราะเราเราพูดเนี่ยคือเจตนาของเราคือเราไม่ได้ตั้งใจจะให้แม่เสียใจหรือว่าจะให้แม่ร้องไห้ค่ะพอาจารย์หนูก็เลยอยากว่าแต่แต่เขาฟังว่าเขาเราเราจะไปเอาแพ้เอาชนะเท่าไหมไม่ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ควรจะหยุดต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไม่ค่ะไม่พร้อมที่จะฟังก็สั่งคนต่างอยู่ไปแยกแยกออกจากกันนิดหนึ่ ค่ะพระอาจารย์มามาตการค่ะเดี๋ยวจะพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็จะพยายามรงงะงับอารมณ์ให้ได้ค่ะช่างค่ะพระอาจารย์ล้วก็ไปถามให้เขาพูดดีกว่าให้เขาถามก่อนแล้วกปพูดค่ะพระอาจารย์ไซายก็รู้ว่าข้อเสียก็คือเหมือนกับว่าพอจะไปถึงแบบสิ่งที่มันได้มากกว่านี้ก็ไปติดกับแม่ตัวเองไงหนูก็เลยพยายามพูดกับแม่น้อยมากในช่วงที่ถือซินแปดเมื่อกี้ นุก็เลยบอกแม่ว่าแม่เอาแต่ธุระก่อนเนาะนุก็หัวเราะหัวเราะแล้วแม่ก็หัวเราะแล้วแม่ก็วางอะไรเงี้ยแกโทรมาหาลังค่ะอาจารย์ก็จะพยายามระับความขวดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะค่ะอย่าไปมีเรื่องกับใครนะถึงแม้เราจะหวังดีกับเขาก็ต้องไม่ไปมีเรื่องกับเขาค่ะพ่ออาจารย์โยมก็พโยมรู้ว่าโยมเป็นคนที่ค่อนข้าง ใจร้อนแล้วก็พูดเร็วนะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะพูดให้น้อยลงแล้วก็ถึงถ้าสมมติพูดไปแล้วมันกระทบคนอื่นถึงมันจะเป็นในข้อดีหนูก็พยายามจะไม่พูดดีกว่า ด, ดค่ะนะคนะ่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์กลับมาบพิธีการเดนต่อไปคุณนอรคุณนอร์ดี้ฟังอย่างเดียวเหรอแล้ว อ, อยากจะพูดอะไรไหมเห็นนั่งหลับตาไม่มีการตอบโต้ก็ ข, ขอไปคนต่อไป คนพิมพิดาโปรดไม้หน่อยแล้วรายงานตัวว่าอยู่ที่ไหนกตอบนมัสการค่ะพระอาจารย์อ่าอยู่ที่เวอร์จิเนียสหรัฐค่ะเวอร์จิเนียใช่ ค, คุยกันได้ค่ะให้เข้ามาใช่ค่ะก็ไม่วันนี้ไม่มีอะไรจะถามค่ะหนูพยายามภาวนาต่อไปค่ะโอเคก็ภาวนาอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องนะค่ะพยายามทําให้มันเป็นนิสยัย เป็นนิสัยถ้วมันถึงเวลามันก็จะทําเองไม่ต้องไปบังคับมันค่ะหนูหนูภาวนาประมาณค่ะหนูหนูนั่งสมาธิประมาณแบบวันละสองครั้งครั้งละประมาณชั่วโมงอ่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ยังที่ยังพยายามทําที่ยังทําไม่ค่อยได้ก็คือสติระหว่างวันเนี่แหละค่ะก็พยายามทําไปเรื่อยๆอย่าไปอยากผลมันจะเกิดมากน้อยก็ปล่อยมันเป็นไปตามเหตุของเรา ค่<ฮ>ะมันไม่เป็นไปตามความอยากควาอยากแล้วมันไม่เพดมันไม่มีมันก็ไม่เกิดผลแล้วมันจะทําให้เราท้อได้นะค่<ฮ> ะ, ะคุณอดี้ลืมตาแล้วหรือคะขอบคุณค่ะคุณอดี้มีอะไรจะพูดไหมอยู่ที่ไหนคุณอดี้ไม่พูดนะจะได้ไปอ่าอออ่อไม่ได้ยินเสียงเหรอ เราเราก็ไม่ได้ยินเสียงของคนเหมือนกันอือคุณอดีตยังไม่ได้เปิดไมค์ฮะยังยังไม่ได้เปิดระบบระบบเสียงเลยฮะเขาก็ไม่ได้ยินของเราด้วยนะปุ่มซ้ายเดี๋ยวลองแนะนําท่างคุณปุ่มปุ่มซ้ายล่างคุณออดีตปุ่มซ้ายกดแล้วระบบของเครื่องอาจจะเสียก็ได้ไ เดี๋ยวขอไปที่ท่านอื่นก่อนเดี๋ยวคุยลองส่งข้อความไปครับครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาต่างหากคุณจิ๊บซีจิ๊บซีกลับนมัสการค่ะคระอาจารย์อยู่แมรี่แลนด์ที่อเมริกาค่ะเี่มาสองคนแมรีแลนด์ค่ะคนเมื่อกี้ก็เพื่อนโยกเหมือนกันค่ะเพื่อนกันนะ ฮะเวอเนียเป็นเพื่อนกันรึเปล่าอีกคนนึงวอจิเนียอ่น้องที่เวอร์จิเนียไม่น่าไม่ใช่ค่ะไม่ได้จากนะไม่ได้จา ม, มีอะไรจะถามไหมวันนี้คือเมื่อกี้โยมเพิ่งนั่งสมาธิออกมาแล้วตอนที่นั่งไปเมื่อกี้อะค่ะพอตื่นนอนมาโยมก็นั่งเลยพอตอนนั่งไปสักพักหนึ่งคือเราก็บริกา ร, รพุทโธไปแล้วพอไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆคือเรารู้สึกว่าลมหายใจมันมันเงียบมันไม่มีอันนี้คือมันปกติใช่ไหมคะเราก็บริกรรมของเราต่อไป ทำบริกรรมก็ไม่ต้องสนใจลมก็ไดลมจะมีไม่มีไม่เป็นไรถอยเราอยู่พุทโธไปแล้วระหว่างที่มันมันมีความคิดก็ปล่อยมันคิดแล้วเราก็ดึงมันกลับมาใช่แล้วก็อยู่กับพุทโธงเราไปค่ะแล้วทีนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนึกภาพว่าเราจะจดจ่อที่พระพุทธรูปหรืออะไรเราแค่บริกรรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ยังไดอย่างหนึ่งก็ได้จะนึกภาพก็ได้จะอยู่กับคําบริกรรมก็ได้แล้วเวลาที่เราอยู่กับบริกรรมแต่เราก็รู้ถึงร่างกายเราเองว่ามันก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงอันนี้มันก็มันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องรู้ให้รู้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวให้รู้อยู่กับพุโทโธใช่ไหมคะร่างกายเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจค่ะพระอาจารย์แล้วขอบพระคุณนะคะแล้วมีคําถามอีกอันหนึ่งค่ะคือเมื่อคืนก่อนโยไม่รู้จะสอนลูก แบบไหนคะลูกชายโยมอายุสิบสามปีแล้วอะคะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็จิตตกไปเหมือนกับเขาเป็นเด็กที่เหมือนกับความคิดเขาจะเกินกว่าวัยนิดนึงเขาก็ถามโยมว่าแม่ครับคนเราเกิดมาเพื่ออะไรหรอทุกคนเกิดมาก็เกิดเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายบางคนไม่แก่บางคนเจ็บบางคนก็ตายทําไมเราต้องเกิดมาด้วยเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถามเป็นภาษาอังกฤษนะโยมก็แบบเออก็ บอกเขาว่าเกิดมาเพื่อมาเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ไม่มาเกิดไม่มาเกิดใหม่บอกว่าเรามาเรามาเกิดเพื่อหยุดการเกิดบอกเขาเองนั่นก็พยายามพยายค่ะแต่เขาก็คิดขึ้นมาเองนะคะโยมก็แบบพยายามสอนแล้วเขาก็ร้องไห้ก็มาแสดงว่าเขาก็มีปัญญาเขาบอกไปว่าเราการมาเกิดของเรานี้ก็เพื่อมาหยุดการเกิดวิธีจะหยุดการเกิดก็คือให้เราอ ผัดนั่งสมาธิไหว้พระศิลป์ฝึกสติไปสอนเข้าไปการนั่งสมาธินี่มันช่วยรักษาคนที่เด็กที่เป็นแบบโรคสมาธิสั้นได้ด้วยใช่ไหมคะได้ถ้าเขาทาได้ถ้าเขาทำได้แล้วต่อไปสมาธิเขาก็จะยาวไปสติเขาก็จะยาวค่ะอย่างเมื่อคืนยมก็ยมก็พยายามสอนเขา ค่ะเมื่อคืนยมก็สอนคือเริ่มตั้งแต่หลายคืนแล้วค่ะคือยมก็ให้ลูกสวดมนต์เป็นปกติแต่เมื่อคืนก็ให้สวดยาวหน่อยแล้วก็ให้สมาทานศีลแล้วก็บอกเขาบอกว่าแล้วก็ก่อนนอนก็หลับไปกับพุโทโธเลยนะลูกอะไรเงี้ยอย่างลูกสาวก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วเมื่อเช้าเขาก็ตื่นมาเขาบอกแม่เมื่อคืนนี้หนูนอนหลับสบายมากเลยหลับสบายสบายก็เลยทําเป็นอุบายบอกเขาบอกว่าอย่างนี้เราต้องสวดมนต์พุโทโธทุกคืนนะลูกเราจะได้หลับฝันดี ก่อนนอนออสวไปันนี้เราไม่ได้โกหกเราไม่ได้โกหกลูกใช่ไหมคะไม่หรอจิตสงบขึ้นไงจิตสงบแล้วก็นอนก็จะไม่ฝันจะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์แล้วคาถามสุดท้ายนะคะสมมติว่าถ้าเราถือศีลห้าเราสมาทานศีลห้าเราถือศีลห้าเป็นให้เป็นปกติแต่บางครั้งเราไปแบบเราไปฆ่าสาสตร์โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเราจะปัดมดแต่กลายนว่าเราไปฆ่าเขาเราสมาทานศีลอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ ไม่ต้องสมาทานหรอกก็ทําความเข้าใจบอกตัวเองว่าเราเผลอสติไปต่อไปก็พยายามอย่าอย่าเผลอสติอะไรนี่นไม่ต้องสมาทสมาทานคั้งเดียวก็พอหรือแม้จะสิ้นจะขาดกี่ข้อก็ให้ทําความเข้าใจว่าตอนนี้เรายังรักษาสี้นอยู่เราพยายาม<ข>รักษาต่อไปอค่ะค่ะขอบพระคุณสักาพาอาจารย์ยงแจกําไปปฏิบัติค่ะสาธุค่ะ อ่าคุณออที่เป็นยังไงยังนิ่งอยู่เนี่ยนั <c oughs> ่นที่คุณรวินก่อนเห็นเราอยู่นานแล้วคุณรวินกุ้งนะได้ยินไหมลรวินนิ่งเหมือนกันคุณราวินกุ้งอติดภาพไปแล้วเห็นคุณชยัยณีวา น, นิชกุล ใครอยากจะพูดก็พูดเลยตันนี้เปิดโอกาสฟรีแล้วฟรีฟอล์ลแล้วใครอยากจะพูดก็พูดเลยครัคุณละวินนะฮะเห็นเห็นคุณละวินเปิดไมค์ได้แล้วเห็<ต>นนะไอไอไอโฟนแอนจากไหนครับไอโฟนแอนจอฮะงัเ้เดี๋ย ว, ยวตัดเสียงก่อน หลวงพ่อได้ยินไหมครับได้ยินหมอหมอพิรพัฒนใช่ไหมครับหลวงพ่อครับโ oh, <okay. S 1> อเค oh, <sure. S 1> ถ้าเรามีอมีเหมือนกับมีบุคคลที่เราเมตตาเขามาเป็นเวลานานแล้วก็ถึงเวลาที่ที่เรามีความรู้สึกว่าความเมตตาเนี่ยมันคือก็ยังปรารถนาดีอยู่แต่ว่าก็น้อยๆลงจนมันกลายเป็นศูนย์ครับหลวงพ่อเพราะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุของเอ ความประพฤติของเขาก็ตามเนี่ยไอ้ศูนย์ที่ว่ายนี่มันเป็นอุเบกขาจริงแล้วอุเบกขาหลอกครับหลวพ่อจะดูยังไงครับออก็ดูที่ว่ามันเป็นปัญญาหรือเปล่าปัญญาคือเราดูว่าคนที่เราช่วยเหลือนี้ควรจะ่จะช่วยเหลือต่อไปหรือไม่อยูด่ด้วยเหตุผลไม่ใช่ใช้อุเบกขาจริงๆเราก็ยังช่วยเหลือเขาต่อไปเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ มันเหมือนกับมันมันเป็นศูนย์นะครับหลวงพ่อศรัทธามันหมดเลยมันหมดศรัทธาใ ช, ใช่ใช่ครับหลวงพ่อมันเป็นอุเบกหา ไ, ไม่เป็นอุเบกขาแล้วมันศรัทธาหมดหมดครับคือยังยังยแหว่งไปในทิศทางลบอยู่นะฮะหลวงพ่อศรัทธาเรายังไม่มั่นคงหรือบางบางทีเราอาจจะเห็นว่าตอนที่เมื่อก่อนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ มันไม่ดึงดูดจิตศรัทธาของเราที่ใหญ่ให้เราช่วยเลยอะค่อยต่อไปนั่นแหแต่ว่าเรายังมีความอยากที่เป็นสมุโมไทยอยู่คืออยากให้ก็เป็นเหมือนเดิมก็ไม่เชิงแล้วอยู่ว่าอยู่ที่ว่าเราทุกข์หรือเปล่าถ้ามันเป็นความอยากมันต้องทําให้เราทุกข์เร า, าเราพะ ถ, ถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาเราก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากในตัวเขา เพราะฉะนั้นอุเบกขาที่แท้จริงมันเกิดไม่ได้ในปุถุชนนะครับหลวงพ่อเกิดได้แต่มันมันต้องต้องเป็นสมาธิอุเบกขาต้องเกิดจากสมาธิแล้วอุเบกขามันก็อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่อุเบกขานี้มันอยู่ในกรณีที่เราไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเราถึงวางอุเบกขาเช่นหมอหมออยากจะช่วยคนไข้แต่อาการเขาสุดสุดแล้วช่วยไม่ได้แล้ว เ ร, รก็ต้วางเฉยอย่างนีเนื้นออุเบกขา<ส>ไม่ไปชุกกับเขาไม่ไปเศร้าโศกเสียใจกับเขาครับคือช่วยจนถึงที่สุดแล้วอแล้วมันสุดวิสัยแล้วเนื้อเนื้อเนื้อวิสัยของเราที่จะช่วยเขาได้แล้วเราก็ปล่อยวางคแต่เราไม่ทุกกับเขาถ้าเราไม่ทุกกับเขาแสดงว่าเรามีอุเบกขาครับอันนั้นคือด้วยอันนั้นคือด้วยปัญญาไม่ใช่ในสมาธินะครับหลวงพ่อใช่ แต่ก็ต้องมีสมาธิมันถึงจะมีอุเบกขาบางคนมีปัญญาแต่ก็ยังทุกกับเขาอยู่โอ้ครับครับจะต้องครับเ <สบ S 2> ข้าใจคำ<อ>นะเข้าใจคำก็ท่านต่อไปไทยคุณวิชนช่วยเชิญเขาพูดเลยนะลักที่เกียรติว่าเดี๋ยวนี้มันคนเยอะไปหมดครับคุณคุณวันชัยฮะเมื่อกี้นี้เห็นเห็นเปิดเปิดใหม่คุณวันชัย คุณวันชายเปิดไม้ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดไม้ให้เอาเบเปิดเบอรครับเบอรครับโอเคครับได้เลยครับอคุณวันชายอยู่ที่ไหนพอดผีผมเคยจนนําได้ไหมเนี่ยผมไม่เจออ า, าจารย์พักจานนานแล้วอยู่ห้ยใหญ่นี่ครับไันนี้ไม่ได้ว่าห้ใหญ่นะจำผมได้ไหมสายดีครนะับจําได้ไหยครับยังไม่บาง<ว>ทีภาพในจอมันดูไม่เหมือนกับภาพจริงหรอไม่เป็นไรแหละ จำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอ่อไม่เห็นเห็นเห็นเห็นีผมเคยบวชอยู่ที่วัดยานนะครับอ๋อปีไหน่ะอะพอศอที่เท่าไหร่บวชพอศ อ, อะไรบวชแค่สิบห้าวันเองครับสิบห้าวันนะครับปีปีมาแล้วครับครับพอดีคิดถึงนี่ถึงนี่ถึงได้ไปทำจาจาร์ตลอดนะ่ัีไม่กลับไปมาตรการนะครับมันจะไปวัดเลย ก็อย <tem> ู่ใกล้ๆแค่นี้เองเนี่ยหัวใหญ่การงานรัดนัดตัวมากเลยตอนนี้กลับมาทำงานใหม่กลับมาทาค่าขายใหม่ยืดยืดใจนี่ถึงอาจารย์ถ่ทสดอยู่พอดีให้ลูกเข้ามาโปรแกรมซูมลูกทาให้เออมีอรอยากจะถามไหมวันนี้ยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัยังยังยมงยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัจยัรยังยัรยังยังยังยังยังยัั ฟังไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วเขาเรื่อยกก่ครับครับครับท่าถ้า่นึถามต่อนะคุณคุณออดีนะฮะคุณออดีได้ยินเสียงไหมคะได้ยินแล้วค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนอยู่พัทยานาเกลือค่ะพัทยานาเกลือเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าย้ายย้ายมาอยู่ที่พัทยาค่ะอ่าเมื่อวานไปฟัง ทำมะที่ที่วัดเลยอะค่ะที่ว่าฝนตกอ oh. แล้วพระอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพระอาจารย์ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการทําอาชีพที่เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์อะค่ะที่ว่าฆ่าแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพื่อที่จะมาหาเลี้ยงชีพมันก็คือบาปทั้งนั้นนะคะทีนี้โยมฟังแล้วอะ่ะคือแม่ของโยมอะทําอาชีพประมงเพราะว่าสามีใหม่ของแม่เป็นจ้าประมงทีนี้เขาก็ต้องทํา หาป่าเงี้ยพอโยมฟังเมื่อวานนี้รู้สึกเสียใจไม่ใช่จะบอกเสียเสียใจไงรู้สึกสงสารคุณรู้สึกสงสารแม่ค่ะว่าแม่ฆ่าสัตว์เยอะมากเลยใช่ย่างงั้นน่ะไม่รู้รู้แล<ะ>้วม่ไม่รู้ว่าเป็นบาปแม่คิดว่าเป็นอาชีพใช่แม่พูดเสมอเคยพูดกับแม่อยู่ว่ามันบาป ก, กรรมนะบางทีแม่อยู่ๆก็เจ็บแบบไม่มีสาเหตุปกเคยพูดกับแม่บอกเนี่ยอยู่แม่เจ็บแบบเนี้ยแม่ตีหัวป้า แม่ค่าปามันอยู่ๆแม่ก็ต้องมาเจ็บมือโดยที่ไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเคยพูดกับแม่อยู่แต่แม่บอกแล้วจะให้ไปทำอะไรก็ต้องทำอาชีพนี้นี่มันเป็นอาชีพถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินก็ก็ต้องฟังเหตุผลของเขาแต่พอเมื่อวันพอพระอาจารย์พูดอธิบายเรื่องนี้อีกย้าอีกว่ามันเป็นเป็นกรรมนะ่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าสงสารแม่มากแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยเจ้าค่ะก็เป็นเือเป็นกรรมของสัตว์ไปก็แล้วกัน ทำของแม่ไปก็แล้วกันถ้าเราบอกแล้วเขาไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้คก็ต้องวางใจวางเฉยอย่าไปทุกข์กับแม่ก็ต้องวางเฉยอย่างนั้นต่อไปชวนแม่ให้ทําบุญก็ยังดีแม่เป็นอิสลามไปแล้วค่ะที่คราวที่แล้วบอกถามผ่านอาจารย์ที่บอกว่าแม่แต่งงานใหม่แล้วได้เป็นเป็นอิสลามแล้วอิสลามก็ทําบุญได้ทํากับพวเราก็ได้ ทำกับไทยก็ได้ขอให้ทำบุญไว้เพื่อมันจะได้ช่วยต้านบาปที่ทําไว้บ้างจะได้ไม่หนักเกินไปค่ะก็มีแม่แม่ก็มีแบบว่าฝากคนไทยพุทธอะ่ะไปใส่บาทให้เพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นมุสลิมไปแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนอเป็นพุทธนะคะการนะกา ร, การทําบุญนี่ไม่หนักนะเขต้องทํากับวัดกับพระอย่างเดียวทําทานก็ได้เหมือนกันทานก็เป็นบุญเหมือนกันเราขอทานก็ได้ทํากับสุนัข ก, ก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้ อทำแต่อะไรก็ได้ขังงั้นเดี๋ยวนูเจอใจก็มีใจก็มีบุญมากไม่ใช่จะคิดจต่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวอ๋อค่ะไม่แม่ใจใจแม่จริงๆแม่ไม่ใช่คนแบบว่าคิดทําแต่ฆ่าสัตว์แต่มันเกิดจากอาชีพบางทีต้องทํากับข้าวหรือว่าปาติดอวนมาอะไรเงี้ยเขาจะต้องเอาออกจากอวนเขาก็เลยต้องทุบปลา แล้วก็เอาทิ้งออกจากโอวที่หนูเห็นน่ะเคยไปสัมผั์เห็นนะนะคะก็เลยรู้ว่านี่มันเป็นการข้ามหนูก็เลยก็ไม่ใช่ใครบังคับเขาหรอกเขาทําเองอาชีพอื่นมีน้องเยอะแยะไปไม่ให้โลกนี้มีอาชีพนี้อาชีพเดียวที่ไห น, นใช่ไหมหนูก็ไม่ได้ทำไม่ใช่ลนะูกก็ไม่ได้ทำนั่นเองเหตนมันก็เป็นการอ้างไปแบบท้างข้างคุยอย่างนั้นเองเพื่อพูดไปจะได้เอ่ายังก็เรื่องของแกก็แล้วกันเมื่อ แกรู้แล้วแกเป็นผู้ใหญ่แล้วแกยังจะทําต่อก็เป็นเรื่องของแกไปเราหมดหน้าที่ของลูกแล้วเราก็บอกแกแล้วจะไปทุกกับแกนะหนูก็ก็จะวางอุเบกขาไปนะคะต่อไปก็จะไม่ทุกข์เพราะแต่เพราะว่าพอดีเมื่อวานพระอาจารย์พูดหนูรู้สึกว่าบาปมากเหมือนเหมือแม่ทําบาปก็เลยมันสะเทือนเข้าไปข้างในหัวใจอีกทีนึงก็เลยอื แต่ก็จะวางอุบายขาค่ ะ, คะแล้วก็อีกข้อนึ่งค่ะพระอาจารย์คือหนูช่วงเนี้ยอยากนั่งสมาธิบ่อยๆแต่ว่าที่บอกไปอ่ะค่ะแฟนเป็นต่างชาติแล้วเขาไม่เชื่อเรื่องาศาสนาก็บ่อยครั้งที่เวลาเราต้องรอจนกว่าเขาจะหลับอะแล้วเหมือนกับมีเวลาว่างคนเดียวแล้วอย่างเงี้ยเราถึงจะนั่งสมาธิบางทีเขาเห็นเราไานั่งสมาธิเขาบอกเธอไปวัดบ่อยๆแล้วเธอก็มานั่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาว่าหนูเหมือนแบบ หลงติดในอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เข้าอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะหนูก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะๆแล้วเออไม่ต้องพูดแล้วก็รอทำเวลาที่เขาไม่อยู่แล้วเขาหลับกันแล้วเวลาเขาอยู่ก็ทำหน้าที่ของภรรยาไปเป็นเพื่อนเขาไปเล่นกับเขาไปไ อ, อ้หนูก็อยู่อยู่เพราะว่าเราเราเราอยู่กันมาเนิ่นนานเกินไปแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคู่คู่เขาเรียกไง เป็นคู่เวรคู่กรรมร่วมกันมาอะไรอย่างนี้นค่ะตแต่ก็ดูแลกันทำใจต้องทำใจอนันหนูถึงบอกว่าหนูชาตนนะไม่อยากเกิดมามีคู่แล้วอเจ้าค่ะอะดีโอเคนะมี อ, <ด>อะไรอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่รบกวนแล้วเจ้าค่ ะ, ะสาวเจ้าคุณวิชนท่านต่อไปคุณวิชนจัดการหน่อยสิอแอดมินหายไปเลยตอนนี้ <laughs> ยังอยู่ครับเดี๋ยวคุณคุณวันชัยจะมีอะไรหรือเปล่าเห็นเปิดเปิดไม้นะฮะพอดีมันทำไม่ถูกครับมึงหักเป็นบรรเลงซื้ชข้อติข้อติครับอ๋อทำ ไ, ไ, ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมผมมิวผมมิวกลับโอเคใครใครใครจะพูดเปิดไม้ได้เลยนะครับใครจะพูดเปิดไม้ได้เลยนะฮะหรือยกมือขึ้นก็ได้ฮปัญหาทางโลกอีกอดเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้เลยเจ้าค่ะต้องกลับตาหลวงพ่อคือว่า คุณแม่ให้ที่หนึ่งสิบหกไร่ที่ที่ต่างจังหวัดไว้อะค่ะอยู่ในเมืองข่าวนี้เนี่ยคุณแม่ให้คนเช่าที่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วพอดีว่าให้เช่าสิบหกไร่เนี่ยห้าพันบาทต่อปีคือให้เช่าด้วยความเมตตาสงสารนะคะแต่ว่าค่าวนี้เขาละเมิดเราคือว่าเขาก็เอาวัวกับควายมามาอยู่ในที่ประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วก็ทําให้ที่ของเราอะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ ก็คือไม่สวยงามแล้วก็เสียหายค่ะแล้วพอดีคุณแม่บอกว่าอยากจะให้เขาอะไม่เช่าแล้วอะค่ะแต่ว่าคนที่เช่าเนี่ยเขาคุยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะแล้วเขาค่อนข้างจะอันธพาลหน่อยข่าวนี้ก็เลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ก็เมตตาสงสารเขาไปเถอะเพราะว่าเขาก็ลําบากแต่ว่าเขาก็เบียดเบียนจิตใจพวกเรามาค่อนข้างมากก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทํายังไงต่อไปเจ้าค่ะเพราะว่า แม่ก็อยากเอาที่ตรงเนี้ยในในเมืองเนี้ยค่ะมาทําเกษตรนะคะเพราะว่าทําเกษตรแบบแบบพอเพียงเจ้าค่ะแต่ก็เขาก็ไม่ยอมไปด้วยก็เลยวัดการถ้าเราไม่ เ, เ, ร, เรียร้อนก็ปล่อยเขาทาไปก่อนก็ได้เพื่อจะได้ป้องกันกา ร, การเป็นเวรเป็นกรรมกันค่ะเจ้าค่ะก็ ต, ต้อง เ, เป็นจริงๆเราต้องทําก็ต้องทําแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะมีเป็นเวรเป็นกรรมกันตามมาได้ อ๋อไม่จำเป็นเจ้าค่ะเพราะว่าเขามีที่หลายแปลงก็ให้ไปแต่แปลงนี้เขาชอบมากก็ก็เลยพยายามจะให้หนูไปคุยแต่หนูไม่กล้าคุยเพราะว่าหนูมองว่ามันมันก็สงสารเขาด้วยเจ้าค่ะอ่าถสงสารก็เดยเป็นเมตตาก็เลยก็กรรมตอบบุญไปค่ะกอแม่ให้ให้ยอมรับตรงนี้อยู่เจ้าค่ะก็ปล่อยไปนะเจ้าค่ะใช่ทำบุญดีกว่าไปทาเวรนะ เจ้ค่ะขอบคุณเจาคะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าสาธุท่านต่อไปคุณวิชนครับเดี๋ยวนะฮะยังยังยังยังไม่มีใครเปิดไม้ฮะตอนนี้สามสามสิบสี่คนครับสิบสี่คนครับก็ประมาณหนึงชั่วโมงนะครับคุณคุณคุณเบญจวรรณคุณเบญจวรรณจะพูดอะไรไหมฮะ ถ้านหนูก็กลาบถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะอ่าอยู่กรุงเทพใช่ไหมคุณเบญจวรรณอิมผือชนวิรีค่ะจำได้ถามมาเลยพอดีหนูปฏิบัติมาสักพักแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วมันไม่คืบหน้าที่แล้วพอหนูมารู้จักกับพี่ที่เขาปฏิบัติค่ะเขาแน ะ, ะานำไปแล้วมันหนูรู้สึกว่ามันก้าวหน้าค่ะพระอาจารย์แล้วพอคือพี่เขาก็ บีกไปปฏิบัติของเขาทีนี้เรารู้สึกหมดกําลังอะค่ะพระอาจารย์เราก็ต้องทํายังไงคะให้ดึงใจเรากลับมาที่การปฏิบัตินะคะไม่ได้ยึบติดกับตัวบุคคลนะคะพระอาจารย์ใช่จูกต้องก็พยายามปฏิบัติเอาคําสอนของเขาอย่าไปเอาตัวบุคคลเขาเป็นเหมือนบุรุษไปชนีเขาส่งข่าวมาให้เราเราก็เปิดจดหมายดูเราไม่ต้องไปตามไปติดกับคนที่ก็เอาจดหมายมาส่งเรา เพาไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะเราต้องคิดว่ามันเป็นอนิจจังเรอยู่ในโลกของอนิจจังอนาตาัตตามีมามีไปอนัตตาสั่งก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ก็ต้องทำใจฝึกทำใจให้รับกับสภาพความเป็นจริงในเมื่อเรารู้วิธีทำแล้วก็ทำไปเสร็จทำไมต้องมีเขาด้วยเจ้าฟ้าเขามันเขาไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้า ตที่ทาให้เราเจริญก้าวหน้าคือสิ่งที่ก็สอนเราบอกเราเราก็ยึดที่คําสอนเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วพวกเธอยังไม่ได้อยู่ปราศจากเราเพราะเราคือธรรมวินัยที่เราได้สอนพวกเไว้ถ้าเธ อ, อยึดติดปฏิบัติตามคําสอนของเราเธอก็อยู่ไม่ได้อยู่ปราศจากพระาจ้าค่ะ ้ก็ปฏิบัติตามที่เขาสอนสิเมื่อมันได้ผลดีก็ปฏิบัติตามที่เขาสอนไปถ้ า, าเป็นต<น>ิดตัวเขาแสดงว่าเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสแล้วชอบเขาจ้าค่ะหนูขอถามอีกพ่อหนึงได้ไหมคะจ้า อ, อาจารย์ออพอดีว่าหนูนั่งแล้วหนูปกติมันไม่ได้รู้สึกถึงว่าเราที่หนูเคยถามไว้อาจารย์ว่ามันห้าสิบห้าสิบะค่ะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูเคยนั่งแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยู่กับลมหายใจตลอด แล้วมันนิ่งนะคะอาจารย์แบบนี้เรียกว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีความคิดเราอยู่กับลมหายใจก็แสดงว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจ <Okay. S 2> ถ้าเราไม่เป็นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแสดงว่าเราอยู่กับลมหายใจรู้ต้องรู้ทุกทุกขณะที่มันเข้าที่มันออกนะคะถ้าลืมก็แสดงว่าเราเผลอะคะ่ะอาจารย์เราพยายามจดจ่อดู การเข้าออกของลมไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วจิตเราจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรวมเป็นหนึ่งได้ใชาค่ะมาตอบขอบคุณนะคะนะครับทุกท่านต่อไปคุณบอยเมื่อกี้เห็นคุณกุ้งนะฮะคุณราวินนะฮะราวินกุ้งค่ะสวัสดีค่ะกับนมาสการพราจาร์ค่ะอยู่กทมใช่ไหม ใช่ค่ะหนูเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานแล้วเขาได้มีโอกาสเข้ามา <Okay. S 2> ครั้งนี้เป็นครั้รค่ ะ, คะเรียนกราบถามพระอาจารย์ค่ะว่าคือเพื่ อ, เ พ, อเพื่อความมั่นใจเรือกคอนเฟิร์มรอบหนึง่งนะคะคือหนูพบจิตผู้รู้ที่เป็นอัตโนมัติอยู่ในร่างกายมันเย็นสบายมันนั่งนิ่งจิตมันก็แนบแน่นแล้วมันก็เข้าสู่อารมณ์ว่างได้ง่ายๆมีสติบแบบ เข้าสมาธิได้ง่ายมากเลยอะค่ะแล้วก็ตรงนี้มันบกกลับมาทีไรก็เจอตรงนี้อะค่ะแล้วก็ตอนที่เวลาเราเย็นสบายมากๆเนี่ยยังไม่คลายเนี่ยไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยแล้วก็อารมณ์ดีทั้งวันแต่ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมันมันก็ยังมีความอยากเช่นยังอยากให้ยังตัดเรื่องความรักความผูกพันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ ตรงนี้ต้องพิจารณนาะยังไงต่อคะ่ะต้องต้องใช้ปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิก็พิจารณาสิ่งที่เราไปผูกพันว่ามันไม่เที่ยงจะต้องมีามการพัดทากจากกันต่อไปภายภาคหน้าเราจะมีการพัดทากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดทากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทุกข์ พิจารณาคือบางทีพิจารณามันมันยังเข้าไม่ถึงคือมันยังเห็นใจที่ยังทุกข์อยู่ค่ะพระอาจารย์แค่เราแล้ว เ, เราพิจารณาไปเรื่อยๆบ่อยๆพิจารณาว่าเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ การพาดพากจากกันกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็เหมือนกันถึงเวลาเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ฝ น, นตกนแดดออกต้องมีอะไรมาเปรียบเทียบถึงจะเป็นภาพค่ะเอาเรื่องนั้นๆเลยค่ะเขาเอย่างนั้นเลยว่าม า, มาเปรียบเทียบกั บ, กบลมกับไฟกับดินกับน้ำกับอากาศ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปค่ะค <น S 2> แล้วก็กวันนี้พวกนี้อยาก จ, จะไม่อยู่กับเราก็ได้แต่เราก็จะนึกเสียดายและเสียใจอยู่<ต>มั น, นก็ยังแสดงก็แสดงว่าเรายังอยากอยู่ยังไม่ยอมรับความเรายังอยู่กับความอยากเราไม่ได้อยู่กับความจริงเราต้องมาเปลี่ยนค่ะ จิตเราอย่าไปยืนอยู่อย่าไปอยู่กับความอยากเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าอยู่กับความจริงแล้วมันจะไม่ทุกข์ถ้าเรามองข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่โทษของมันก็ก็จะช่วยได้ก็แล้วแต่ลองดูเสียนนี้แล้วแต่จิตของเราแต่และคนมันไม่ไม่เหมือนกันบางทีต้อง <Okay. S 1> ดูทุกข์บางคนก็ดูวันนิจังบางคนก็ดูนาาัสตาเนี่ยสามตัวเนี้ยดูตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ดูแทนกันได้ ค่ะดูแล้วให้เราปล่อยให้เรายอมรับความจริงค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราเ อ, อพิจารณาอสุภัสกรรมฐานนะคะมีสองเป้าหมายหลักใช่ไหมคะคือเรื่องแรกก็คือเรื่องให้ตัดร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเราแล้วอันนี้ก็คือเป็นการเ อ, อพิจารณาอสุภัจนกลายเป็นเป็นขั้นพระโสดาบันใช่ไหมคะแล้ว ถ้าเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะไม่ใชนเราที่แก่ที่เจ็บที่ตายถ้าเราไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเราก็เป็นพระโสดาบันไดค่ะแล้วหนูทราบ ว, ว่าถ้าเราอยู่กับท่านรู้ตรงนี้ถ้าจิตสุดท้ายที่เราตายเนี่ยมันเหมือนเรามีจุดยึดแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะได้อะไรแล้วมันก็หนูคาดว่า มันไม่น่าจะไปที่ที่ไม่ดีอะค่ะอะแน่นอนถ้าเป็นโซดาบันแล้วมันไม่ไปสบายแน่นอนค่ะแล้วอสุภะอีกแง่หนึ่งที่เราต้องการก็คือนอกจากเราต้องการทาบรู้ที่แม้ว่ายังไม่บริสุทธิ์แต่เราก็จะสามารถที่จะพิจารณาให้เป็นขั้นถึงขั้นอนาคามีที่เขาเรียกอะไรนะคะ่ะความน่าเปิดผูกพันความไม่สวยงามเพื่ อ, อละก<ข> า, า, า, าอารมณ์ ถ้าเราไม่มีการอารมณ์ไม่มีความอยากจะร่วมหลับนอนกับใครไม่อยากจะมีแฟนแล้วก็เป็นพระอน า, าคามีได้ค่ะแต่แต่ถ้าเราแต่ถ้ายังไม่ตัดความผูกพันก็ยังมีการมาลาค่ะก็ยังไม่ได้อนาคามีถูกไหมเจ้าค่ะอ๋อก็แล้วแต่โจทย์ว่าของใครจะเจออะไรติดตรงไหนมากกว่าค่ะครับสุภาพเห็นก็เป็นศพเน่าเปื่อย ค่ะนจบแ่เห็นจตอนนี้เป็นสมเดินได้อย่างหายใจอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดเขาไม่หายใจพวกนี้เราเก็บเขาไว้อยู่ในบ้านไหมไม่เก็บอืค่ะคือคือสมมติทีต่างว่าเราหลับตาเราก็จะรู้สึกได้ว่าหนูก็สามารถเห็นได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ทําจิตเคลื่อนออกมาดูอะค่ะเราก็ยังเหมือนส่งออกนอกไปเล่นไปเที่ยวสนุกสนาน หนูก็เลยยังรู้ว่าตัวเองยังติดทางทางกรรมาราขาอยู่ทางทางทางโรกอะค่ะเออแตอยังรักยังชอบอยู่ก็ออยังติดอยู่แต่ถ้ากลับมามองถอยมานดนึ่งกลับมามาก็ก็กระลึกเห็นได้เลยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องยังต้องทำต้องทาจนกระทัง่งมันต่อเนื่องก่อนค่ะแ่มันต้องทำอยู่จนกระทัง่งมันไม่มีความรักความชอบเหลืออยู่ในใจค่ะ ถ้าลากอะไรปรั๊บต้องมองอัศวภาสขึ้นมาทันทีถ้าลกากไทยกันไม่ถึงอัศวภาสขึ้นมาทันทีหรือม่ถึงการความไม่แน่นอนแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะฮัลโัญญาณหนูไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ขาดขาดหายหายอ่าคุณคุณมาริวันครับคุณมาริวันเห็นยกมือนะฮะฮาเชนคุณมาิวันคุณมาริวันเห็นยกมือนะฮะ เปิดเปิดหน้ากล้องด้วยฮะเงียบฮะอาจจะ เ, เปิดหน้ากล้องมาละเดี๋ยวนะฮะคุณมาริวันครับพูดได้เลยฮะแต่ผมผมเปิดไมล์ละโอเคการการนมัสการท่านอาจารย์ค่ะคือว่าอยากจะอยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะอยู่ที่แถวมหาวิทยาลัยเกษตรแสตรบางเขนค่ะค่ะติดตามทานรค่ะทุกวันนะคะทีนี้อยากจะกล่าวเปี่ยนถามท่านพระอาจารย์ว่า คือเหมือนเหมือนได้ยินว่าเอถ้าใครที่แบบไปกราดสังเวชนียสถานที่อินเดียเนี่ยคือคันนี้ไม่ไม่ทราบว่าจะจะได้ยินมาถูกเขาบอ น, นะคะเขาบอกว่าะจะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไม่ตกไปในอบบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าอันนี้มีมีความเป็นจริงยังไงบ้างคะอ๋อมีมีเป็นความเป็นจริงคือเราต้องรู้ว่า เราได้ไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อมั่นในคำสอนเราก็จะไม่ทำบาป mm hmm. ไม่ทำบาปเราก็ไม่ไปอาบอาย mm hmm. ถ้าเราไปกราบแบบมา้าพาหมาไปกราบหมามันไม่รู้เรื่องห mm hmm. มาม่รมันก็ไปขโมยของกินใหม่อ mm hmm. ้อาไปกราบเราต้องรู้ว่าที่เราไปกราบอะไรเราไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพ mm ื hmm. ่อยืนยันว่าคำสอนของพระทเจ้านี้เป็นจริง บาปมีจริงบุญมีจริงอบาย<ช>มีจริงสวรรค์มีจริงอืว่าเรารู้ว่ามีจริงของอหล่านี้เราก็จะได้ไม่กล้าทําบาปก็มีการมีการเกรงกลัวต่อบาปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮิริโอตปะเกิดขึ้นมา่มนนคถ้าไปกลางแล้วไม่มีฮิริโอตปะก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ค่ะเนี่ยก็ขอกลับเรียนถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือ อย่างกรณีที่โยมไม่ไม่สะดวกในการไปใส่บาตรตอนเช้านะคะเคยเคยได้ยินพระอาจารย์พูดว่าถ้าเราเอาเอาเงินที่เราจะแบบไปซื้อของใส่บาตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไว้แล้วเราก็ถึงเวลาเราก็เอาไปถวายวัดหรือโอนไปไปไปถวายตามวัดหรืออะไรต่างๆงเนี้ยก็ก็ถือว่าเป็นการทำบุญใส่บาตรได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันอ๋อ แต่เมืม่อเมื่อเก็บไว้แล้วห้ามไปยืมมาใช้ใหม่นะเ ง, นงินทำบุญแต่ <c oughs> ว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของวัดแล้วแต่เรายังไม่ได้ออกไปมอบให้กับวัดขอเท่านั้นเองแล้วขอขอถามอีกข้อนึงนะคะคือพอดีออมีมีคือคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคุณพ่อเน่เสียไปแล้วก็มันมันมีเงินช่วยที่ที่ยังอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะคือเราทีแรกเราตั้งใจว่า คุณคุณพ่อป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหลายเดือนแล้วก็กละว่าจะไปทําบุญที่โรงพยาบาล น, นั้นแต่ทีนี้หมอที่รักษาก็บอกว่าอย่าอย่าไม่ต้องไปทํากับโรงพยาบาลหรอกมันไม่ถึงหมอให้ให้มาทํากับเอแผนกของหมอเลยโดยตรงตอนนี้ก็เลยยังสงเกตสงใจคือยังไม่ได้ทําอะไรก็เงินก็ยังเก็บอยู่ก็แต่ว่าก็พยายามเอาไปทาบุญแบบกระถินตามวัดหรือตามอะไรต่างๆทยอยทยอยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคือไม่ทราบ ว, ว่าเราเราตั้งใจไว้แล้วเราเราไม่ได้ทนตามท่ตั้งใจไว้เนี่ยมันมันบาปไหมคะหรือว่าหรือว่ายังไงไสแสดงสแสดงว่าเราไม่มีความหนักแน่นในการกับความตั้งใจของเราอเอาไปเราก็ตั้งเราต่อไปแล้วก็จะตั้งใจทำอะไรไม่ค่อยได้ตั้งแล้วก็เปลี่ยนใจต้องการถ้าถ้าต้องการให้มีความหนักแน่นตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจค่ะค่ะค่ะ คือมีมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะมีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะเลยทาไม่สำเร็จก็ถ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ควรทําตามที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วแล้วเราเราจะเอ่อพอเราทําแล้วเนี่ยเราจะอุทิศให้ ด, ด, ดีดาของเราได้ไดใช่ไหมคะได้เลยได้เลยเอือเราเราเร า, เราอุทิศ อืมต้องเป็นต้องเดี๋ยวนั้นไหมหรือว่าก่อนจะทําหรืออะไรกลับมาแล้วค่อยอุทิศที่บ้านทําทําเสร็จจบก็อทินเลยอุทิศเลยนะคะนึกอยู่ในใจได้เลยใช่ไหมคะอ๋อให้กับพ่อที่ศรีธรรมค่ะค่ะค่ะกับกับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะท่านต่อไปแอดมินครับ อ่าคนต่อไปเปิดเปิดไม้ได้เลยนะครับใครจะพูดเปิดไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดประมาณเก้าโมงครึ่งนะามทุ่ครึ่งคุณหาหาฤทัยค่ะก็ถามอีกทีนึงนะคะครับเชิญถามได้เลยอยากะค่ะอยากจะทราบเทคนิคในการที่ให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาค่ะมันมีอะไรพอที่จะ ช่วยอะไรบางค่ะเราก็คอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ไหเรากําลังกินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวกําลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ําก็มีสติอยู่กับตัวไงก็ต้องอยู่กับร่างกายเนี่ยตัวเราก็คือร่างกายแล้วเราก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละเรียกว่ามีสติอยู่กับตัวเข้าใจไหม ้ก็ให้พยายามดูร่างกายไปข่าวดูล่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ทําไปกับร่างกายคุณสิริแทนคุณยุ้ยเปิดไมค์ก่อนเค้าค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเปิดแล้วค่ะการนมัสการพระอาจารย์กรุงเทพค่ะพระอาจารย์พอดีหนูค่นูรบกวนปรึกษาค่ะหรือพระอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีเอมีเพื่อนที่ลูกสาวเพื่อนเขาประสบอุบัติเหตุอะค่ะ ลูก <Okay. S 1> ลูกประสบอบัติเหตุแล้วเขาเสียใจหนูไม่รู้จะตอบเขายัางไงอ่ะคะ่ะหนูก็ได้แค่ว่าบอกเขาว่าฟุตโทจะช่วยพี่ตาได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาทุกข์<อ>มากเพราะว่าลูกลูกลูกตายค่ะวันดีดแล้วยังไม่ตายบอกเขาอย่างเงี้ยหมายถึงตัวเขา<บ>ใช่<อ>ไหมคะบอกลูกเขาว่าลูกเขาโชคดียังไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บเขาจะได้สบายใจขึ้น เสียชีวิตแล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าเสียชีวิตแล้วก็ เ, วเขาก็หมดทุกไปก็แล้วกันถ้าอยู่ก็ต้องมาทุกกับการกินกันอยู่กันทําอะไรต่างๆค่ะค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์ อ, อมีคนเคยบอกว่าถ้าสมมติเราร้องไ ห, ห้พอะร้องไห้เพราะลูกเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยตกนรกอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไ ม, ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมค่ะเกี่ยวกันกกนรกสวรรค์อีการกระทําของลูกไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นค่ะ ขอบคุณค่ะโ okay. อเคท่านต่อไปเปิดเปิดไม้ได้เลยนะครับอ๋อคุณอุสาคุณอุสาเปิดอ่าเดี๋ยวเปิดไม้ให้โอเคครับคุณอุสาเปิดไม้เลยครับก่นได้เลยครับได้ไหมคะได้แล้วฮะเชิญคุณอุสาพูดได้เลยฮะแล้วใช่ไหมคะพูดได้ใช่ไหมคะคาณอุษาพูดได้เลยครับนิมัสการพระอาจารย์ค่ะ ว่าไปว่ามาเลยคือโยมนี้นะคะถือศีลแปดมาทุกวันพระสองปีแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติทํารู้สึกว่าจริงยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยะค่ะ<อ>มีความรู้สึกเหมืนอนเราไม่ได้ก้าวหน้าก็ต้องต้องนั่งสมาธิศีลเนี่ยก้าวหน้าศีลมัน ก, ก็ได้เท่านั้นแหละคือนั่งสมาธิด้วยนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ฟุ้งซ่านแต่ก็นึกถึงอาจารย์บอกว่าอย่าไปมีความอยากก็ปล่อยถ้ามันคิดก็ปล่อยมันคิดไปจนกระทั่งมัน มันนิ่งเองอ่ะค่ะแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากนะคะเวลามันคิดต้องหยุดคิดอย่าไปปล่อยมันคิดคือเราต้องอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมไปอย่าไปคิดกับมันอย่าอย่าไปดูความคิดให้ดูพุทโธหลือให้ดูลมหายใจเข้าอ๋อคือแบบว่าบางทีพอมันค่ะพอมันฟุ้งซ่านเราดูสิว่ามันจะคิดไปขนาดไหนก็ปล่อยไปอย่าอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันให้พุทโธใช่ไหม อ่อย่างเงี้ยมันมันเงี้ยมันจะไม่หยุดถ้าไปยิ่งไปดูมันมันก็ยิ่งคิดไปใหญ่ค่ะต้องใช้พุโทโธแล้วใช้ดูลมหายใจหยุดมันคื<ต><พ>อเพราะว่าไมใช่หยุดทันทีมันอาจจะต้องใช้เวลาค่ะก็รู้สึกว่าทําไปนั่งภาวนาก็พยายามนะคะทั้งตอนเช้าและตอนหัวลุ่งตอนหัวข้ามและตอนหัวรุ่มค่ะแต่ก็บางทีก็ได้ไปได้ผลบางทีก็ไม่ได้ผลก็รู้สึกว่าถือศีลแปดมาสองปีก็ยังรู้สึกเกรง อยา่อยากได้มากกว่านั้นก็ต้องทําเพิ่มสิหรือสิ่งอาทิตย์ละสองวันสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าทำเท่าเดิมมันก็ได้เท่าเดิมอ่ะแต่ทุกค่ะโอเคงว่าเราถือเพิ่มได้เราก็ถือเพิ่มอยากจะอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันนั่งสมาธิจากสองชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงมันต้องเพิ่มมันทํานานะทํานาปีละไร่มันก็ได้สิบปีมันก็ได้ปีละไล่ S <S ถ้าทำสองไลน์สามไลน์มันก็ได้เพิ่มขึ้น เ, เองอ๋อแสดงว่าเราต้องทำเพิ่มตัวเราเองใช่ใช่เราต้องทำเพิ่มเหตุ hey, ต้องเพิ่มผลมันถึงจะเพิ่มตามไม่ใช่อยู่ที่เหตุเท่าเดิมผลผลมันก็เท่าเดิมเหมื okay? อนกันอ๋อค่ะคืออยู่ที่หน้าที่ว่ามันไกลไงคะอาจารย์นอกจากฟังธรรมอาจารย์แล้วบางทีเราไปทำงานเราจะถามคำถามก็ไม่ไม่สะดวกที่จะถามคำถามก็ฟังแล้วก็เก็บสะสมไว้พอจะถามบางทีก็ลืมอะค่ะ ก็เนี้ยมีโอกาสนะเนี่ยค่ะค่ะตอนนี้ก็มีโอกาสที่ยวก็พยายามนั่งฟังที่เขาพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เก็บสะสมเดี๋ยวจะไปเพิ่มอย่างที่อาจารย์ว่าค่ะอันนี้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวกลับไปดูซ้าใหม่อีกทีก็ได้หรอให้เขาโหลดเก็บไว้ก็ได้เซฟไว้ดูในเครื่องต่อไปก็ได้สาธุอาจารย์ครับพวกคุณค่ะจะนําไปนําไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะตามไม่มากนะถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องทําเพิ่มเดี๋มีโอกาสจะเป็น มีโอกาสจะเป็นน้มาสการอีกนะคะสาธุสาธุท่านตอบไปนะฮะยี่สิบสี่แล้วนะเหลืออีกหกนาทีครับกครอยากจะถามเหลืออีกหนาทีนะใครอยากจะถามเปิดเปิดไม้ได้เลยนะฮะซีนคุณทรายค่ะนมาสการอีกรอบค่พระอาจารย์ค่ะเชิญพอดีอยากจะถามว่าเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ขวดน้า ที่ที่พี่คนเมื้ถามเร่งคุณพ่อทําบุญให้คุณพ่อค่ะหนูไปตรงที่ว่าการจะสวดมวนต์กลางคืนหรือว่าเวลาเราสวดมวนต์หรือนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์รเราต้องขวดน้ําลงดินไหมคะหรือว่าเราแค่อุทิศ ต, ต้ออุทิศได้อุทิศได้แต่ควรจะอุทิศณนะตอนนั้นเลยหลังจากที่เราปฏิบัติเสร็จใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เพราะามันจะสดลร้อนๆเป็นช่องใหม่ถ้าท<อ>ิ้งไวเดี๋ยวไปเราไปมีอารมณ์บวชเบี้ยวขึ้นมามันก็หายไปได้ อค่ะพระอาจารย์แต่ว่าการกวดน้ําลงดินหรือไม่ไม่สําคัญเพียงแต่ว่าตอนที่เราปฏิบัติไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําใช้ใช้ใจพุทธพุทธิ์ด้วยใจคิดไปในใจขอที่ส่วนบุญนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ที่ลงรับไปแล้วก็ถือว่าสําเร็จแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะน้ำมาสการค่ะคุณกุ้งคุณกุ้งนะฮะคุณกุ้ง ค่ะพระอาจารย์คะหนูเรียนหาอีกข้อนึงคือถ้าเกิดว่าหนูใช้เ อ, อลักษณะเ อ, อเหมือนวงจปรปฏิดาสมุปาคะ่ะพอหนูเห็นทุกอย่างที่มันกระทบแล้วหนูหยุดได้แล้วหนูก็อยู่ที่ตัวรู้ข้างในแล้วมันเห็นอัตโนมัติแล้วมันก็เหมือนแยกอารมณ์ได้แล้วเราก็ไม่โกรธไม่อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราพัฒนาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ให้ไปถึงเวทนา ขั้นต่างๆที่มันจะไปถึงบรรลุธรรมเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมคะพระอาจารย์คือการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องรับกับทุกสภาพได้ไม่ใช่จะเลือกเลือกรับบางเรื่องไม่รับนี้ไม่ได้หรอกเพราะเราไปห้ามไปเวทนาเดี๋ยวมันนีก็ต้องมาหาเราอยู่ดีมนจะไปวิ่งห น, น, น, นีมันจะการมันมันก็การมันไม่ได้เราต้องรับากายเวทนาจิตสามตัวนี้ให้ได้ค่ะ เราต้องรับเรื่องของกายรับเรื่องของเวทนาะรับเรื่องของจิตได้แต่ว่าที่เราหยุดได้เนี่ยเราหยุดแค่สังขารได้แค่ชั่วคราวใช่ด้วยสติเั้นเองค่ะปฏิจจส ม, มุปบาทไม่ใช่เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาต้องเป็นใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเราเราเห็นมาอันึงสักแต่ว่ารู้แล้วแบบอุเบกขาอตโนมัติ เหมือนเวลาเขาว่าเราแล้วมันเหมือนน้ํากิ้งบนใบบัวค่ะเหมือนไม่โดนเลยไม่โดนก็ได้ถ้ามันนิ่งเฉยก็ได้แต่มันจะนิ่งเฉยทุกครั้งรู้เปล่าก็ต้องพิสูจน์ตัไปเรื่อยๆซึ่งซึ่งตรงนี้หนูรู้เลยว่ามันเกิดจากพลังสมาธิที่มันคงค้างอยู่อแล้วมันจะแยกอารมณ์ออกค่ะแล้วมันแล้วแต่อารมณ์ของเราบางวันบางวันคนพูดอะไรนิดเดียวก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็มีชหมือนจะนิดหนึ่งสสะกิด ลูกษณะรู้สึกเด่นเดน่งแต่จริงๆเราต้องการต้องต้องการความเฉาวรของมันโดยที่ไม่ต้องมานั่งกําหนดอไม่ว่าใครจะพูดอะไรเชิญให้หมดค่ะไม่เข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกค่ะโอเคเข้าใจค่ะเจ้าค่ะกลับขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปอีกสองนาทีเปิดไม้ได้เลยนะครับเปิดโอเคว่าพอสมควรแก่เวลานะ ครับตอนนี้ไม่ไม่มีนะฮะเห็นนะฮะไม่มี้ะเตอครับตอนนี้เห็นนะฮะยังไม่ไม่มีใครเปิดใหม่เลยฮะโอเคครับงั้นก็จะให้พรเลยนะครับก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป เ <bird> <mean> สาธุครับอวลาก่อนแล้วนะ